ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระเทพมงคนวิเทศและท่านพระเถระเท ร, ระ ท, รที่เคารพและนับถือทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน ทุกท่านซึ่งวันนี้มีคณะเจ้าภาพในการบรรยายธรรมสามคณะด้วยกันก็คือคุณโยมกนกวรรณรอดโฉ ม, ค, โมคุณโยมเพ็ญแขดีรลบมนคุณและคุณหมออรุณด็อเตอร์สุมาาสวนสินผกซึ่ง ร่วมกับคณะศิษยานุสิ์วัดไทยลอสเซนเจรสจัดกิจกรรมบรรยายธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายมุทิตาสการะในการบะเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลแปสบหกปี แต่พระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศหรือหลวงพ่อใหญ่ประธานสงฆ์หรือเจ้าวาดวัดไทย l อวโดยได้อรรถนาพระเถรานุเถระพระธรรมทูตมาร่วมอนุโมทนาบุญกว่า1น0ยห้าสิบรูป และมีกิจกรรมอันเป็นกุศลอื่นๆอีกมากมายท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและครือข่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ได้มาประชุมพร้อมเรียงกันเตรียมงานกันมาตั้งแต่ต้นเพราะต้องการแสดงออกซึ่งความ กตันยูกะตะวีทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ที่ท่านได้เป็นผู้นำพาวัดไทย l ออให้เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสามสิบปีที่ท่านนำพาพวกเราที่นี่ ตั้งแต่ปี 2,531 ที่ท่านมารับตำแหน่งเจ้าวาหรือประธานสงเราจึงได้พร้อมใจกันตอบแทนพระคุณของท่านตามเท่าที่จะทาได้เพื่อเป็นการถวายกำลังใจและทาบุญทำกุศลให้ท่าน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสไปอีกนานแสนนานโบราณถือว่าการที่คนเราอายุยืนก็เพราะบุญกุศลหล่อเลี้ยงและเพื่อให้อายุยืนยาวต่อไปก็ต้องทำบุญเพิ่มเพราะพลังบุญที่หล่อเลี้ยง อาจจะลดน้อยถอยไปดังคำกล่าวที่ว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายในโอกาสนี้หลวงพ่อเจนทาบุญใหญ่ และมีพิธีสืบชะตาด้วยเมื่อเช้าแบบภาคเหนือโดยได้ประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศเป็นประธานสงทุกรูปทุกคนตั้งใจทำถวาย เพราะอยากให้หลวงพ่อมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ไปอีกนานแสนนานความสุขเกิดจากหลายประการจากเหตุภายในก็ได้คือเราทำใจให้มีความสุขหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกเมื่อ หลวงพ่อได้เห็นกัลยาณมิตรศิษยานุสิ์มาร่วมงานมาถวายสการักก็เกิดความสุขใจดังคำกล่าวที่ว่ากัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงเมื่อเรามีความสุขมีความสำเร็จ เราจะไม่เก็บไว้คนเดียวเราจะแชร์เราจะบอกให้คนมาร่วมแสดงความเย็นดีมาร่วมความสุขกับเราดังพระบาลีที่ว่าปิยันจะอนนาปานำหิตเมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์เราเนกถึงคนอันเป็นที่รัก จัดงานวันเกิดอาหารเต็มโต๊ะหลายโต๊ะแต่ไม่มีพระมาฉันมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าพระมาเยอะเกินกว่าที่คำนวณไว้ญาติโยมมีความสุขถึงโยมจะอดบ้างก็ไม่เป็นไรงานนี้จึงเป็น วาระเหตุการ์สร้างความสุขและถ้าหากว่าไม่มาให้พักพร้อมอย่างนี้งานก็กลอยไปเยอะและจะจัดงานทั้งทีก็ต้องมีบัญญายธรรมหรือปาธกถาพิเศษทางวัดโดยคณะสงฆ์เตรียมการไว้รวบหน้า ไปจองพระพรหมบดิดไว้หลายเดือนมาแล้วนะท่านพระวิเทศกิติคุณนะท่านจะคุณเริ่มเนี่ยไปดักนิมนต์ที่สนามบิน l ออตอนไปอยู่ท่าเมื่อปลายปีที่แล้วแต่บุญไม่มีไม่เจอกันท่านก็บินตามไปนิมนต์ที่เมืองไทยอีกบอกไม่ต้องไปงานหลวงต่ชีหรอก มาวัดไทยแออดีกว่าแล้วต่อไปวัดอตมัมมยตาท่านพูดอย่างนี้จริงๆนะล็อบบี้เป็นทุกอย่างปรากฏว่าโยมวัดไทยวอชิงตันดีซีก็เลยตามมาทำบุญที่นี่ด้วยสรุปรวมความว่ามาถวายกำลังใจมาถวาย ความกะตันยูกะตะเ ว, วทีแด่พระเดศพระคุณหลวงพ่อใหญ่ในส่วนตัวนั้นนำนึกถึงในวันที่พระเดศพระคุณหลวงพ่อใหญ่มาถึงวัดไทยเอออาจจะเรียกว่าสัปดาห์แรกโดยหลวงเตียงส่งมาเนี่ยผูพ้พูดก็เรอเอินบังเอินมาที่ วัดไทยเอเอพอดีก็ยังได้สนทนากันและท่านก็ชวนไปไปหาหมอเรื่องอะไรก็ไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าอะไรลิลขิตลิขิดอะ่ะมันกำหนดให้โครจรมาเจอกันแล้วสามสิบปีก็มาพูดงานของท่านอีกวันนี้ เรื่องที่พูดที่กําหนดให้นะโดยท่านเจ้าขุนเริ่มเนี่ยเรื่องว่าพระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่พิจารณาแล้วก็เหมาะกับวัดไทย l อวจริงๆเพราะว่าวัดไทยที่นี่เนี่ย<ม>เป็นศูนย์รวมแห่งสังคมพระหูวัฒนธรรม นอกประเทศไทยสแสดงบทบาทของวัดในฐานะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะเป็นสังคมหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมมาหน้าโบสก็เห็นแล้ว ยักษ์สองตนคงมาจากวัดโพนะแล้วก็เดินไปก็จะเห็นแถวเนี้ยเจ้าแม่กวนอิมมีพระพรหมมีหลายต่อหลายอย่างอันเป็นวัตถุเคารพบูชา ใครศรัทธาอะไรก็มาสร้างถวายขาดแต่ซุเปอร์แมนเท่านั้นเเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเบ้าหลอมรวมวัฒนธรรมหลากหลายสมกับเป็นวัดและแสดงออกถึงความเป็นวัดไทยที่มีลักษณะเหมือนกับสังคมอเมริกันคือเป็นเมลติ้งพอท เป็นเบ้าหลอมรวมในสิ่งที่ดีงามไว้ด้วยกันเมื่อมีความเป็นเบ้าหลอมรวมเนี่ยจึิญมีทั้งเก่ากับใหม่ผสมกันอยู่ในนี้มีทั้งพระรุ่นเก่าพระรุ่นใหม่แม้กระทั่งพระธรรมทูตมีทั้งโยมหลากหลาย แต่ทุกมือทุกสมองเนี่ยช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนให้วัดไทย l อวเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งวันนี้เราก็จะได้ยินถึงการขยายพื้นที่สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นไม่หยุดนิ่งอันแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเนี่ย 2,514 เป็นต้นหม่จนมาถึงยุคหลมเตียมาถึงยุคหลวงพ่อใหญ่เนี่ยวัดไทยเอไม่เคยหยุดนิ่งและมือที่รังสรรค์สร้างสรรค์นเนี่ยมาจากทุกส่วนทุกภาคทำให้นึกถึงบทโครงที่ อังคางกรกะลรยนพงเขาประพันธ์ไว้ว่าโลกนี้มิอยู่ด้วยมะณีเดียวนาสายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุต่ำกลางดีดุลยภาพภาคจักรพานมิร้างเพราะน้ำแรงไหน วัดไทยเอไม่ได้เกิดขึ้นและพัฒนาเพราะมือใดมือหนึ่งแต่มันรวมร่วมกันระสมผสานด้วยเบ้าหลอมอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อาจจะเรียกว่าทุกรูปทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของไปในทิศทางที่ผู้นำคือหลวงพ่อใหญ่ได้กำหนด เกิดเอกภาพเกิดความสามัคคีความที่เป็นเบ้าหลอมตรงนี้แหละทำให้เราจะต้องตระหนักว่าวัดนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตั้งอยู่ในดินแดนในโลกตะวันตกที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา อยู่ในบริบทสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากเมืองไทยอะไรคือความแตกต่างระหว่างโลกแห่งสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยก็ขออ้างคำพูดของนางมารการ็ตแทชเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ก่อนที่เธอจะเป็นนายกรลื่นตรีอังกฤษเป็นหัวหน้าพรรคได้มาเยือนสหรัฐอเมริกากลับไปแล้วมาการิสแทชเชอร์ได้พูดถึงอเมริกาและยุโรปไว้ว่า Europe was created by history America was created by philosophy แปลว่ายุโรปเกิดขึ้นหรือสร้างจากประวัติศาสตร์อเมริกาสร้างจากปรัชญาเราเข้าใจคำพูดนี้อย่างไรยุโรปเป็นประเทศเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ชื่นชมหลงไหลกับอดีตกับความยิ่งใหญ่ในอดีตแม้กระทั่งอังกฤษก็เคยครองโลกมีสถาบันที่ยิ่งใหญ่คือสถาบันกษัตริย์จะโปรโมตส่งเสริมกันเรื่องอดีตแต่อเมริกาเป็นโลกใหม่มีปรัชญาใหม่ และที่สำคัญคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในประเทศนี้เขาจะไม่พูดถึงอดีตมากนะเขาพูดเท่าที่จำเป็นแต่เขาจะมีโครงการมีแนวคิดว่าสิบยี่สิบปีจากนี้จะไปไหนสองปีก่อนได้ไปที่นาซา นาซาบอกว่าอีกทศวรรษต่อไปนี่จะไปดาวอังคารเขาไม่พูดเรื่องดวงจันแล้วเขาจะทำยานอวกาศไปดาวอังคารมีโปรเจกต์มีวิชั่นใหม่ๆอยู่เรื่อยซึ่งเราที่มาอยู่ในดินแดนนี้ต้องตามให้ทัน คงมีในยุโรปหรือในเอเชียที่ส่งเสริมพูดกันถึงเรื่องอดีตเรื่องอ๋อเจ้าดูกันอยู่แต่เรื่องนั้นน่นะบุเพนะบุเพแปลว่าโบราณสมัยก่อนนะไม่รู้กี่รอบ เราไม่จำเป็นจะต้องไปติดอยู่กับอดีตอย่างเดียวอดีตอนาคตสำคัญทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องปฏิบัติตามพุทธศาสนะสุภาษิตที่ว่าปุรา น, นาพินัญทยะอย่าหลงของก่า นาเวขันติมะกุพเพเยอย่าเมาของใหม่หมายที่นี่ก็อย่าลืมรากเงาของเราโดยไปหลงกับของใหม่และเลินกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนเกินไปแต่ก็ไม่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะไปะยึติดอยู่กับของเก่า เราจะต้องผสมผสานดังที่วัดไทย l อเอทำเป็นตัวอย่างเป็นสังคมพระภุวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตเป็นความเชื่อและความเชื่อของคนอเมริกันมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว บางทีตัววิทยาศาสตร์นั่นแหละมาแทนาศาสนาด้ยซ้ำเทคโนโลยียคือปาฏิหาริย์ที่าศาสนาในอดีตเคยแสดงเลอสีอินเดียเคยเหาะได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็เหาะได้อย่างนั้นตาทิพหูทิพมีอย่างไรเทคโนโล ย, ยีคือการประยุกต์วิทยาศาสตร์เอามาใช้ เพื่อขยายวิสัยสามารถของมนุษย์ก็ทำได้หมดเหาะเหินในอากาศก็ได้ในโลกใหม่นี้ปาฏิหาริย์ของศาสนาสำเร็จได้ด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลจากองค์ความรู้ในวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นศาสนากับวิทยาศาสตร์ในดิแนแดนนี้ บางทีมันก็ขบเรียมกันบางทีก็ขัดแย้งกันมาแต่อดีตในประวัติศาสตร์ศาสนาอื่นในดิแนแดนนี้เคยทะเลาะกับวิทยาศาสตร์มาก่อนแต่พระพุทธศาสนาไม่เคยทะเลาะขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ไม่ขัดแย้งกับเทคโนโลยีไม่ปฏิเสธ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะอะไรเราควรจะทำความเข้าใจวันนี้และเราควรจะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่าศาสนามันจะทำให้เราได้เผยแผ่ได้เร็วยิ่งขึ้นปฏิบัติธรรมได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรจะเป็นประเด็นที่จะพูดในวันนี้โดยที่ดินแดนแห่งนี้มันเป็นดินแดนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคำว่าวิทยาศาสตร์ศาสตร์สมัยใหม่จะพูดเฉพาะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นศาสตร์บริสุทธิ์ที่เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ก็คือฟิสิกส์ เพียวฟิสิกคืออภิปรายาคือสัจธรรมของวิท ย, ยาศาสตัวฟิสิกเป็นสัจธรรมที่คนเชื่อวิทยาศาสตร์ก็เพราะวิสิกนี่แหละและในยุค ป, ปัจจุบันนักฟิสิกนักวิท ย, ยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ และยังไม่มีใครข้ามพ้นเขาไปได้ก็คืออันเบิร์ตไอสไตน์ก็อยู่ที่นี่การประยุกต์วิทยาศ า, าศาสตร์บริสุทธ์มาใช้ในอุตสาหกรรมในการค้าในการอำ น, นวยความสะดวกในประเทศนี้เป็นเลิศเรานั่งพูดกันได้พระแสงไฟ ของนักเทคโนโลยีชื่อโทมัสอันวาเอดิสันเขาก็เป็นเลิศจดทะเบียนสิทธิบัตรกว่าพันชิ้นและในยุคปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีของที่นี่ในการสื่อสารก็คือผลงานของสตีฟจ็อบส์ใครไม่มีบ้าง่ะ จะได้ให้โยมถวายสตีฟจ็อบส์เรียกกันไม่ใช่ในฐานะนักประดิษฐ์เหมือนเอดิสันเขาไม่ใช่อินเวนเตอร์แต่เขาเป็นอินโนเวเตอร์คือนักนวัตกรรมนักนวัตกรรมก็เอาเทคโนโลยีนี่แหละมาใช้ เรามาอยู่ที่นี่ในดิแนแดนนี้ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักประดิษฐกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีก็เท่ากับมาอยู่ในถุงปุ๋ยมาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของที่นี่และเราจะนำเอาคำสอนในพุทธศาสนา มาต่อยอดมาเกาะเกี่ยวมาสื่อทอดอย่างไรนี่ก็ป เ, เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันและเวลาที่พูดถึงพระพุทธศาสนาเราก็นึกถึงพระพุทธศาสนาที่ประมวลคำสอนหลักเอาไว้ในคัมภีร์สำคัญ ศาสนาคริสต์เขามีไบเบิลศาสนาอิสลามเขามีอัลกุรอานเราไปที่ไหนทั่วโลกไปพักในที่พักก็จะมีไบเบิลวางอยู่ทั่วไปทั่วโลกในประเทศเรายังแปลแปลเป็นภาษาของเราแต่เราจะไม่เห็นพระไตรปิฎก ไปวางอยู่ทั่วโลกอยากจะให้มีพระไตรปิฎกเช่นนั้นสำหรับคนชาวพุทธได้อ่านก่อนนอนหรือคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธได้ศึกษาด้วยภาษาสากลที่เข้าใจง่ายเช่นภาษาอังกฤษก็มาพิจารณากันว่า ทำไมจึงไม่มีคำตอบไบเบิลเล่มแค่นี้พระใจไปดกเล่มแค่นี้แต่สี่สิบห้าเล่มเอาไปหนุนนอนก็ยังเกินใส่ตู้มันก็จะล้มทับแล้วจะทำยังไงให้คนอ่านได้เข้าใจพุศาสนาแต่ เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าก็เลยมีความคิดสรุปคำสอนที่เป็นแก่นจากพระไตรปิฎกให้เหลือเล่มเดียวแล้วพิมพ์แจกไปทั่วประเทศที่ทำคือญี่ปุ่นเอาคำสอนในพระสูตร พิมไปทั่วโลกเงินเขาเยอะแม้แต่ประเทศไทยก็มีแต่อ่านแล้วมันไม่ใช่พระพุทธศาสนาของเราและไม่ใช่คำสอนในพระไตรปิฎกของเขามันเป็นสรุปของนิกายหนึ่งเงินเยอะมากแปลเป็นภาษาไทยด้วยอ่านดูแล้วก็ไม่ถูกใจ เสียงเงินก็เยอะคนก็ไม่แนะนำคนก็ไม่อ่านพูดนี้ใครก็นึกไม่ถึงว่านึกไม่ออกว่ามันเล่มอะไรเสียงเงินพิมพ์มากมายและในที่สุดมันก็ไปแจกในดินแดนนอกญี่ปุ่นทิ้งๆของควาญเมื่อแปดปีที่แล้ว เกิดความคิดว่าทำไมพระไตรปิฎกเนี่ยมันถ้าเราสรุปมาเป็นคำสอนเป็นแก่นแล้วทำไมมันถึงไปทั่วโลกไม่ได้เราก็ได้คำตอบว่าถ้าเป็นพระไตรปิฎกมหายานอย่างเดียวก็ใช้ได้ในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่น ไปไม่ถึงหลังกาพาม่าไทยถ้าเป็นพระไตรปิฎกเถรวาทบาลีแปลเป็นภาษาอังกฤษก็อยู่แต่ในเขตไทยพาม่าหลังกาในโลกมหายานเขาก็อ่านไม่รู้เรื่องนี่ก็คือข้อจำกัดเกิดแนวคิดว่าทำไม เราไม่รวมเอาพระไตรปิฎกของเถราวาตมหายานวัชรยานเอาไว้ในเล่มเดียวกันเป้าหมายคือให้เผยและ่ทำเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป้าหมายคือให้ไปได้ทั่วโลกไม่มีการแบ่งแยกว่านี่ของเถราวาตมหายานแต่ปัญหาใหญ่คือจะเอาเรื่องไหนล่ะเอามาเป็นประเด็นหลัก ในการทำพระไตรปิฎกอย่างที่ว่าก็เคยมีการประชุมสภาสงฆ์โลกหลายสิบปีมาแล้วที่ศรีลังการพระมหาเถระฝ่ายเถราวาทมหายานได้สรุปว่ามีคำสอนในเถราวาทและมหายานที่คล้ายกันเหมือนกันเป็นพัฒนาการเนี่ย เขาท่านเรียกว่า unifying uh, basic points of unifying uh, to unify Buddhism คำสอนประเด็นหลักที่รวมให้พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเทราวาดมหายานวัชิรยาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยมันมีกี่ประเด็น ท่านรวมไว้เก้าประเด็นในเก้าประเด็นเนี่ยมีรายละเอียดตั้งแต่พระตนะตรายอริยสัจสี่มรรคแปดปฏิจจสมุปบาทสอนเหมือนกันหมดแต่รายละเอียดต่างกันเช่นคาว่าไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาของเรามหายานอนิจจังทุกขังอนัตตามีศูญย์ตาเข้ามาอีก ลายละเอียดพวกนี้อาจจะต่างกันบ้างแต่ประเด็นหลักเหมือนกันเราก็หยิบเอาประเด็นหลักที่เป็นแต่หัวข้อเนี่ยมาเป็นโครงสร้างของพระไตรปิฎกที่พึงประสงค์ที่รวมทุกนิกาได้วยกันว่าคำสอนที่ไปในทางเดียวกันในแต่พระไตรปิฎกเถรวาทในบาลีมหายานในภาษาจีน และสันสกฤตวัชรยานในภาษาทิเบตเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ต่อยอดกันเราเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ไปลอกไทยแปลจากบาลีโดยตรงเป็นภาษาอังกฤษที่ร่วมสมัยอ่านเข้าใจง่ า, งายแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษแปลปจากภาษาสันสกฤต เป็นอังกฤษแปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาอังกฤษและควรจะเลือกหัวข้อไหนบ้างเพื่อวัตถุวัตถุะสน์นี้ได้ตั้งคณะกรรมการนานาชาติขึ้นมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิรัยนั่นแหละเป็นโต้โห ในการจัดประชุมวิสาขาบูชาโลกเมื่อแปดปีที่แล้วออกเป็นแถลงการ์ว่าเราจะทำพระรไตรปิฎกฉบับสากลเพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยไปได้ทุกประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษจากบาลีจากจีนจากสันสกฤตจากทิเบตเป็นอังกฤษ เลือกหัวข้อตามแนวที่คณะสงฆ์ท่านกำหนดไว้แล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกที่ประชุมวิสาขาบูชาโลกเห็นชอบตั้งคณะกรรมการนานาชาติประมาณสามสิบสามสิบชีวิตเ่ยรวบรวมหัวข้อทั้งหมดเลยแล้วมาสกรีนมาคัดเลือก ทำเป็น outline เป็นบท12บทใน12บทมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างและจะไปเอามาจาก Passage ไหนไปโค o ตมาจากพระไตรปิฎกแต่ละภาษาเรื่องอะไรเนี่ยตั้งคณะกรรมการสำรวจเอามาพอได้แล้วก็แปลแปลแล้วก็มาเกลามาปรับให้เป็นเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษ ประธานใหญ่ที่คุมงานทั้งหมดคือผู้พูดนี่แหละเป็น Chief Editor เป็นประธานบรรณาธิการส่วนภาษาอังกฤษที่แต่ละคนแปลเสร็จมากราให้เป็นแบบเดียวกันได้ e d i t o อร์คือโ r o f e s s o r Peter Harvey วิที่อังกฤษเป็นคนปรับอีกทีหนึ่งจากนั้นก็พิมพ์ออกมาทดลองก่อน หนึ่งมืเล่มเมื่อปีที่แล้วเป็น first edition หายวับไปกับตานะแกกเรียบเลยก็เลยแก้ไขปรับปรุงปีนี้พิมพ์เป็น second edition เล่มนี้อีกหมืดเล่มยังไม่รู้ว่าจะได้ทันวางโรงแรมหรือเปล่ามันจะหมดซะก่อนอีกนะที่เห็นเนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษว่า Common Buddhist Texts Guide and Insight from the Buddha ของแท้ของแท้ต้องมีนี่พระพรหมบดีเป็น chief editor น ะ, อะนอกนั้นของปลอมอเสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วพิมพ์แจกเราก็ตั้งาณะกรรมการแปลเป็นภาษาไทย เพราะคนไทยบอกโอ้อยากอ่านภาษาไทยก็ใช้เวลาหนึ่งปีแปลเป็นภาษาไทยอาตมาก็เป็นประธานบรรณาธิการในการแปลตรวจให้มันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งทีมแปลขึ้นมาพอแปลเป็นภาษาไทยยกตัวอย่าง ถ้าพระไตรปิฎกที่แปลจากบาลีที่เข้ามาจากบาลีเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษเราไม่แปลจากอังกฤษเป็นไทยเราไปเอาจากพระไตรปิฎกมหาจุฬาที่เขาแปลอยู่แล้วมันตรงกันภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้วใครเป็นประธานแปลพระไตรปิฎกมหาจุฬาจากบาลีไทยก็อาตมานี่แหละ <c oughs> เป็นประธานมรราธิการก็อนุญาตให้ลอกเลย เพราะฉะนั้นตัวภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาไทยในนี้เนี่ยมันตรงกับภาษาอังกฤษแต่อ่าน ง, ง่ายเพราะเป็นฉบับมหาจุฬาส่วนมหายาณ น, นี่คนแปลไม่ชินภาษาจีนก็แปลาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลาจากทิเบตเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแต่อ่านเข้าใจง่ายเพราะผู้แปลชั้นครูทั้งสิ้น เคยแปลเตาเตกิงแปลอะไรต่างๆเขามีประสบการณ์ออกมาอาตมาตรวจไม่ได้กินไม่ได้นอนพิมพ์ออกมาเล่มใหญ่กว่าเดอมอีีภาษาภาษ า, า, าปีเท่านีเนะะภาษาไทยเท่านี้ถามว่าทาไมมันใหญ่ก็เพราะเวลาแปลจากเขาเรียกคาถาเนี่ย ฉันเนี่ยเหมือนกรอนแปดเด็กภาษาอังกฤษเขาพิมพ์เป็นพืชไปหมดเลยเขาไม่แปลอา่าส่วนว่าแปดคำอย่างนี้เขาพิมพ์ติดกันหมดแต่ภาษาไทยนี่ถ้าเป็นคาถาก็แปดคำใช่ไหมสี่แถวเป็นฉันแล้วก็คำสี่แถวเลยไม่ประหยัดหน้ากระดาษเอาใจคนไทยสารพัดเพื่อให้อ่านนี่แหละเออเสร็จแล้วท่านทั้งหลายแล้ว ต้นฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยตรงกันไหมหน้าไม่ตรงกันแต่เวลาท่านเปิดอ่านเนี่ยเขาจะทำหัวข้อไว้ถ้าเป็นเถราวาทจะเป็น th ตั้งแต่พารากราฟที่ยกมาจากพระไตรปิฎกที่หนึ่งจนถึง 200-300 เนี่ยเขาจะใส่ตัวกากับว่าเป็น th 1 2 3 two ห ม, หมายเลขอะไรเวลาแปลเป็นภาษาไทยเราก็พมตัวถอไว้เทระวาดไว้หนึ่งสองสาท่านไม่ต้องไปเปิดหน้าถ้าจะหาภาษาอังกฤษท่านดูว่ามันถอหนึ่งสองหนึ่งก็ไปเปิดในนี้ th หนึ่งสองหนึ่งซึ่งเขามีเลขกำกับไว้เพราะฉะนั้นข้อความตรงกันทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยมีในโลก ใช้เวลาทำแปดปีแปดปีมานถึงเสร็จนอกจากเราแปลจากต้นฉบับแล้วเรายังทำให้ง่ายต่อการค้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตเนี่ยนะครับถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นเถราวาทมหายานวชรยัตแต่ละบทเขาจะเรียงกันสมมติว่าเรื่อง เ, ออเรื่องปัญญาไอ้อเรื่องกรรมฐานก็นแล้วกันกรรมฐานแบบเถราวาท ในบทเดียวกันเนี่ยวาไปเลยแล้วก็จะมีเ ท, เทรวาตหนึ่งสองสามเออี่ห้าหเจ็ดเขาจะเรียงกันต่อด้วยกรรมฐานแบบมหาหยานในนี้จะมีกรรมฐานแบบเซนด้วยแปลมาจากคำสอนกรรมฐานแบบเซนเลยของพระคนาจารย์ที่6อะไรก็ต่างแล้วกรรมฐานแบบที่เบตร์ไ ย, ยานต่อกันมาเลยท่านจะเห็นเลยว่า ในโลกนี้เนี่ยแต่ก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าสอนกรรมฐานแบบไหนมันเป็นเทรวาสแบบไหนเป็นมหายานแบบไหนวัชริยานอ่านเรื่องนี้รู้หมดแล้วเอาไปย้าใหญ่เป็นของเราเองได้อีกโอเป็นฉบับวัฒ น, นกรกได้อีกกรรมฐานเนอะไหมเพราะฉะนั้นไม่เคยมีไม่เคยทําและมันทํายากเพราะมันต้องรวมคนทั่วโลกซึ่งไม่มีใครอยากจะมาทําด้วยเขาอยากเขากลัว ว่าคนทาจะได้หน้าแต่ถ้ามหาจุลาธรรมเ้ายอมมันก็เลยสำเร็จออกมาออกมาเป็นพระไตรปิฎกเรียกว่า common buddhist text แปลเป็นภาษาไทยว่าพระไตรปิฎกฉบับสากล guidance and i n an s i g h t from the buddha ก็แปลว่าวิธีทมจากพุทธปัญญาพระธรรมทูตต้องอ่านครับเพราะว่ามันมีเรื่องกนอิมก็อยู่ในนี้ เออโอ้โ อ, อ, อมิตาพระผมเห็นนะนอะพระขาวอ่ะนะมีสามองค์นิยมรู้ไหมเน่ะพระขาวที่มาจากเวียดนามอ่ะจะมีพุทธรูปลเล็กๆสามองค์สามองค์องค์หนึ่งจะถือลูกแก้วองค์หนึ่งจะถือเจอดีย์นะเป็นต้นนะสามองค์นี้คือใครองค์หนึ่งคืออมิตาพระ องหนึ่งคือไภรสัตย์ชาคุ้ที่ถือเจดีนี่คือร่วมยาเวลาไม่สบายต้องไปขอพรตรงนี้และองค์กลางนี้คือพระสากยมุดีพุทธะคือหลวงพ่อองค์เนี้ยแต่เขาลดรูปไปอยู่ตรงนูน้นอ่านเล่มนี้แล้วจะรู้หมดรู้เพราะอ่านนี่แหละเป็นประธานบรณาธิการนี่แหละอ่านสักเสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วถ้าเกิดท่านจะต้องไปเทศให้ฝรั่งฟังโอ้พระสูตรดีๆทั้งนั้นเลยทั้งเสด็จมหามยาณไม่ใช่ญาณเปิดเลขเลยว่ามันเป็นมหายานนัมเบอร์เท่าไรแล้วก็ไปเปิดตรงนี้ตรงกันหมดเลยท่านข้อความมันจะตรงกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ไม่แจกนะครับถวายหลวงพ่อองค์เดียวสองชุดเดียให้นาลายไหลเล่นทีนี้ทีนี้ แล้วนะครับเมื่อเราจะพูดจะเทศเป็นภาษาอังกฤษอ่านตรงนี้ก่อนแล้วไปดูภาษาอังกฤษท่านก็ได้หมดเลยแม้ก็จะทําเจทําีิปุ่น์ต่อไปไม่ต้องไปรอกคนอื่นแล้วครับเอาจากพระไตรปิฎกนี่แหละทีนี้วันนี้จะพูดจากเล่มนี้ครับพระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่อ้างอิงจากเล่มนี้ย ภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้เห็นว่าเซนมาสดสดละล้อในฐานะประธานมานาธิการเนี่ยเอามาพูดเรื่องนี้จากเล่มนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นที่ทำไมต้องพูดถึงหนังสือเล่มนี้และเวลาพูดจะอ้างด้วยว่าเทรวาสเบอร์อะไรมหาญานเบอร์อะไรเพื่อจำได้แล้วไปเปิดดูไม่เปิดดูก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะบางทีก็บอกมัว่วเนี่ยทีนี้มาถึง ประเด็นที่จะพูดเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องพระไตรปิกนะครับต่อไปนี้ศาสตร์สมัยใหม่คือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์จักรวาลวิทยาของโลกตะวันตกกับพระไตรปิฎกมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเอาจากเรื่องนี้เมื่อพูดในอเมริกาเราต้องโค้ดตองอ้าง นักฟิสิกชั้นนำที่เอ่ยถึงมาแล้วก็คืออันเบิร์ตไอน์สไตน์อันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาพูดว่า science without religion is lame religion without science is blind วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาย่อมพิกลพิการศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์มืดบอด จำให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลับมาท่านเคยสงสัยไหมถ้าเคยได้ยินมาบอดทำไมวิทยาศาสตร์ที่ไม่เอาศาสนามาเกี่ยวข้องนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่สนใจศาสนาจึงพิกลพิการแล้วทำไมไอ้สไตจึงบอกว่านักศาสนาที่ไม่สนใจวิทยาศาสตร์มืดบอด อธิบายนะครับโปรดเข้าใจว่าคําว่าศาสนาในที่นี้หมายถึงศาสนาเทวนิยมไม่ใช่พุทธศาสนาคําว่าศาสนาเทวะนิยมหมายถึงศาสนาที่มีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลในทัศนะของไอน์สไตน์เขาบอกว่าความเชื่อ เรื่องพระผู้สร้างโลกและจั ก, กรวาลเนี่ยมันล้าสมัยหมดแล้ววิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างไรโดยไม่มีพระผู้สร้างแต่นักศาสนา ย, ยังยึดติดกับความคิดเรื่องพระผู้สร้างโลกเขาบอกเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบคนโบราณหลายพันปีแล้ว ที่ยังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อเหมือนเด็กๆ เ, เชื่อแบบตามๆกันเขาจึงเรียกว่ามืดบอดซึ่งตรงนี้ทำให้กล่าวได้ว่าไม่มีพระผู้สร้างทางวิทยาศาสตร์ก็อย่างนั้น ประเด็นนี้ไม่ได้ขัดกับพระพุทธศาสนาศาสนาไม่ได้บืดบอดในประเด็นนี้ที่ไอน์สไตน์กล่าวว่าศาสนาไม่ให้ปัญญาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระเจ้าให้ปัญญาไม่ได้พึ่งพากับความเชื่อเกี่ยวกับผู้สร้างโลกในเล่ม น, นี้ได้วิจารณ์ความคิด เรื่องพระผู้สร้างจักรวาลไว้ว่าไม่จริงอย่างไรขออ้างนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไปท้ำเติมแค่แต่อ้างจากเข้าใจบีดโดไปดูในเทราวาส ห, หมายเลขนนหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเนี่ยโฆษณาหนังสือนะครับมาจากชาดกภาษาบาลีว่าอย่างนี้ภาษาบาลีไม่มีในนี้แต่เอามาอ้างในฝั่ง สำหรับคอบาลีครับว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไรอิสโรสัพโลกัสสเจกับเปติชีวิตังถ้ามีพระอิสวรท่านใช้คำว่าอิสโรคือผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงพระอิสวรถ้าพระอิสวรรสร้างโลกก็จะกำหนดชะตาชีวิต ที่เราเรียกว่าพรมลิกิจและพระพรหมพระอีศวรสร้างความสำเร็จสร้างความล้มเหลวสร้างความดีสร้างความชั่วให้แก่โลกทั้งหมดเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งเลวทั้งชั่วทั้งอะไรต่างถ้าพระพรหมสร้างก็ต้องสร้างทั้งสองอย่างคำถามก็คือ The problem of evil แต่นี่เป็นสมัยพุทธเจ้านะถ้าพระพรหมสร้างโลกต้องสร้างดีๆสิแล้วไปสร้างความหิวความความอดอยากโรคร้ายความล้มเหลวความทุกข์ให้มาสู่โลกนี้ได้อย่างไรถ้าพระอีศวรสร้างทุกอย่างฉะนั้นคนทำชั่วก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะถูกพระพรหมลิขิตให้ทำชั่ว ในในในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้นะครับน is mm ิเทสการีปุริโสอิสโรเตณลิมปติเมื่อคนทำชั่วแสดงว่าพระพรหมกำหนดพระพรหมนั่นแหละทำบาลด้วยโนภเมณนะครับนี่เอาจากพระไตรปิฎกเอออย่าลืกว่ามีแต่เถรวาด น, นะครับ คำพีมหายานสันสกิตก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้อยู่ในเรื่องนี้อีกนะแปลจากสันสกิตเป็นอังกฤษแล้วจากอังกฤษเป็นไทยอ่านให้ฟังกันแล้วกันปลอดภัยดีถ้าองค์มหาเทพในพระไใจพิดกมหายานนะครับถ้าองค์มหาเทพเป็นผู้สร้างทุกสิ่งจริงแล้ว ถ้าเช่นนั้นพระองค์ก็ไม่มีความกรุณาเพราะถ้าพระองค์มีความกัล鲁าพระองค์ก็จะบันดาลให้สัตว์ทั้งปวงเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่สร้างสัตว์นรกไปสร้างสัตว์นรกแสดงว่าไม่กัล鲁าทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเป็นนิดได้พระองค์จะทรงละเลยสัตว์ที่ประสบความทุกข์ แปดประการอย่างนั้นหรือพระองค์จะปล่อยให้พวกสัตว์ตกอยู่ในอบายภูมิทั้งสและประสบมหันตทุกข์อย่างนั้นหรือถ้าพระองค์มีการุณาจริงพระองค์จะสร้างสัตว์จากตัวพระองค์เองแล้วไปทำร้ายพวกเขาได้ฉันใดถ้าองค์มหาเทพพระผู้สร้างเป็นหนึ่งเดียวและเป็นนิรันดรทุกสิ่งที่พระองค์สร้างก็ย่อมจะไม่แปรเปลี่ยน ก็แล้วเหตุใดสัตว์ทั้งหลายจึงไม่เที่ยงเหตุใดพวกเขาจึงเกิดขึ้นแล้วดับไปเหตุใดสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิทั้งห้าจึงต้องประสบทุกข์จากความไม่บริสุทธิ์เยี่ยงนี้ถ้าสิ่งที่ดีมาจากมหาเทพสิ่งที่ชั่วมาจากพระยามานความดีกับความชั่วก็จะขัดแย้งกันเราจะเรียกมหาเทพว่ามหาเทพ ซึ่งมีความหมายว่าพระองค์เป็นพวกควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรอันนี้มาจากมหายาณข้อหนึ่งร้อยสามสิบสองไม่มีอธิบายนะครับเพียงแต่ให้ไปศึกษาดูว่าสิ่งที่เขาดีเบตโตเถียงกันแล้วว่างเทวนิยมมีพระพรมผู้สร้างโลกมีพระเจ้าสร้างโลกกับไม่มี เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและนั่นก็คือสิ่งที่เราพบในพระไตรปิฎกและไอน์สไตน์ก็พูดไว้อย่างที่กล่าวมาว่าศาสนาที่ไปคิดเรื่องนี้เชื่ออย่างนี้เป็นความมืดบอกทีนี้เรามาดูวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เชื่อเรื่องนี้หรือไม่สอนในเรื่องนี้อย่างไรวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราก็ทราบดีว่าโลกไม่ได้เกิดมาจากพระผู้สร้างทฤษฎีที่ยอมรับในการกำเนิดของโลกก็คือบิ๊กแบงเทอรีโลกเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อมืนสามพันล้านปีมาแล้ว และจากการระเบิดรั้นใหญ่นั้นเนี่ยมาเมื่อ 5,000 ล้านปีมันก็เกิดพระอาทิตย์เกิดโลกของเราสิ่งเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เขาได้ศึกษาหมดแล้วไม่ถกเถียงกันนะเป็นเป็นทฤษฎีที่ยอมรับแต่ถ้าใครอยากจะอ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดไปอ่านหนังสือล่าสุด ของสตีเฟนฮอคคิงเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนวันที่ส4สี่มีนาคมที่ผ่านมาสตีเฟนฮอคคิงนั้นได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดมันสมองของนักฟิสิ์รุ่นหลับนับจากไอน์สไตน์มาที่โลกยกย่อมก็คือคนนี้ เมื่อสเตเฟนฮอลคิงเสียชีวิตหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัวเก่าโดยเรื่องที่เขาเขียนนะตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงมาจนถึงชะตากรรมของจักรวาล น, นี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรชื่อหนังสือว่า A Brief History of Time เป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ อ, อ, อังกฤษในนิยสันสันเดานเนี่ยสปีติดต่อกันไดบรนานังสือวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีหนังสือขายดีเท่านี้มาก่อนและในโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยใครอ่านทฤษฎีสัมพัสของไอน์สไตน์ไม่รู้เรื่อง E เท่ากับ mc ยกกังสองเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้ใครไม่รู้ว่า Black คโฮลเนี่ยมันคืออะไรหลุมดำเนี่ยนะต้องอ่านหนังสือเล่ม น, นี้วงเล็บถ้ามีสติปัญญาพอที่จะรู้เรื่องแต่มันเป็นหนังสือขายดีนะในโลกวิทยาศาสตร์สรุปความคิดทฤษฎีทั้งคนตั้มทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง นับจากไอสไตน์มาเนี่ยคนนี้คือบริเลียนแต่เขาเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอายุ76ปีสตีเฟนฮอว์กิงพูดถึงเรื่องต่างๆไว้มากมายแต่เรื่องกำเนิดจั ก, กรวาลนี้น่าสนใจมากเมื่อเกิดบิ๊กขอพูดสรุปความคิดเขาซึ่งเราต้องรู้ เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดปัจจุบันนี้เด็กหนุ่มสาวรู้หมดเมื่อจะกำเนิดจักรวาลเนี่ยสิ่งที่เป็นบ่อกำกเ น, นิดของจักรวาลมารวมตัวกันเขาเรียกแบบซิงเกิลาริตี้มันเป็นก็แค่คล้ายกระเป๋ะฟองไข่อย่างเดียวเนี่ยอัดแน่นเหมือนกับหลุมดำนั่นแหละแล้วความร้อนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ระเบิด เรกาบิ๊กแบงการระเบิดของไอตัวต้นกาเนิดของจั ก, กรวาลเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนสูงมากในระดับนั้นยังไม่มีแม้กระทั่งอะตอมนะท่านมันมีเฉพาะส่วนประกอบของปรมาณู พวกขวานตั้มทั้งหลายพวกนิวตรอนอิเล็กตรอนมันกระจายกันมันวิ่งออกจากจุดศูนย์กลางด้วยความเร็วมากความร้อนสูงมากภายในเสี้ยวของวินาทีเนี่ยมันกระจายออกไปรอบทิศแล้วมันเย็นลงเกินครึ่งความเย็นเนี่ยภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยมันเย็นลงพอดีเลยแล้วพอความเย็นลงเนี่ยมันทำให้เกิดการรวมตัวเป็นอะตอม จากประจุไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยมันเป็นอะตอมแล้วความเย็นมันก็ลดลงเลยมันมันมันออกจากจุดศูนย์กลางมันก็อะตอมมันจะมีพลังงานเขาเรียกว่าแรงดึงดูดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าท่านท่านนึกออกไปว่าทำไมตัวอะตอมเนี่ยซึ่งมีนิวเคลียสมันจะมีตัววิ่งวนอิเล็กตรอนเนี่ยวิอยู่อย่างเงี้ยอะไรดึงดูดมัน มันไม่ใช่แรงน้มถ่วงนะครับมันคือพลังแม่เหล็กไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แล้วมันวิ่งอยู่งั้นเนี่ยมันมีอะตอมนในแต่ละกายของเราเนี่ยมันก็มีอะตอมทั่วจั ก, กรวาลเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของโลกจั ก, กรวาลนี้พอมันกระจายแยกออกจากกันพวกเหล่านี้มันก็วนเข้าหากันพอมาผ่านมา เมื่อห้าพันล้านปีที่แล้วมันก็เกิดดวงอาทิตย์เกิดโลกแล้วก็เกิดจักรวาลจักรวาลที่เราอยู่นี้เขาเรียกแกาล็กซี่นะครับแกาล็กซี่คือทางชั้นเผือกอ่ะมันหมุนวนกันอยู่เนี่ยแล้วมันจะมีทางชั้นเผือกไอ้มันจะมีแกาแล็กซี่อื่นอีกเยอะแยะหมดเลยรวมกันทั้งหมดนี่ไม่รู้ ดวงดาวเลิกอธิตย์กี่ล้านดวงเนี่ยเขาเรียกว่า universe universe คือจักรวาลยูนิแปลว่าเดียวนะครับมันมีทฤษฎีว่าจักรวาล น, นี้ที่เราเห็นด้วยกายภาพเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวเขาเรียกยิงยูนิแต่ไหนคนเนี้ยสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยสนับสนุนทฤษฎีมัลติเวิร์สฟังไหมนะครับ มัลติเวิร์สคือจั ก, กรวาลหลายจั ก, กรวาลซ้อนกันจะไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทแต่จะพูดผลของเขาให้ฟังเขาพูดไว้ในงานหลายงานมัลติเวิร์สคืออะไรเขาบอกว่าจั ก, กรวาลที่เรารู้เราเห็นเนี่ยทางกายภาพสามมิติเนี่ยมันเกิดมาจากการที่บิ๊กแบงเซลบิ๊กแบงการระเบิดทั้งใหญ่แล้ว เราวิ่งออกจากจุดส่วนส่วนส่วนกลางแล้วรู้จักสโลดาว์อ่ะมันก็เลยมีโอเวลาวดรวมกันหมุนกันกลายเป็นโลกพระอาทิตย์อะไรต่างสมมตินะครับถ้าเกิดว่าในวินาทีแรกเนี่ยมันวิ่งเตลิดอย่างเดียวออกจากส่วนกลางโดยไม่หยุดเลยมันก็จะไม่มีการรวมตัวกันมาเป็นจักรวาลแต่มันจะเป็นจักรวาลอีกแบบหนึ่ง เมื่จะมีโครงสร้างอะตอมโมเลกุลอีกแบบหนึ่งเหมือนกับแผ่นบางชิปเลยเขาเรียกอินเฟลชันนะครับคือความเร็วมันวิ่งมากกว่าการหยุดสร้างจักรวาลแต่ไอแผ่นที่วิ่งเนี่ยมันกลายเป็นมิติหนึ่งของจักรวาลที่เ ป, เป็นเป็นชั้นชั้ชั้นชนโดยอยู่ในที่เดียวกันที่เราอยู่นี่แหละมันซ้อนอยู่เขาเรียกจักรวันซ้อนจักรวาล เสร็จแล้วทางสตีเฟนฮอว์กิงบอกเอางี้ผมเรียกว่าโฮโลแก ร, รมก็แล้วกันจั ก, กรวาลที่ว่ามันซ้อนอันนีน้มันอยู่โดยท่านเคยเห็นภา พ, พยนตร์สตาร์วอมไหมล่ะมันเป็นโฮโลแก ร, รมก็คือภาพสามมิติแต่ว่าจับไม่ได้มันมีคนยืนอยู่ผมไปไปพิพิธภัณฑ์ของ อับราฮัมลินคอนที่เ อ, อที่ได้น้อยอ่ะนะสปริงฟิลด์ยู่ๆอับราฮัมลินคอนมายืนอยู่หนึ่งมาพูดนึกว่าผี <c oughs> ใครไปคนจะเบรกออกเนี่ยนีโฆษณาแถมอีกมันมีตัวมีตนนี่อะไรท่านแต่มันโปรงเนะ่ะมันสามมิตินะมันมีความกว้างความยาวความหนาเนะ่ะผีลินคอนแท้เลยเนาะโอ้ <c oughs> น่าจะไปไว้เมืองไทยบ้างนาะ ออมันไม่ต้องมาทำให้รูปปั้นขี้พึ่งนะหลวงพ่อสมัยโยมตาบก็บโผล่พึ่งขึ้นมาหลวงพ่อใหญ่เลยเนาะตัวคิวนะนั่นแหละโฮโลแก ร, รมครับแต่จับต้องไม่ได้แต่เห็นมันเป็นจั ก, กรวาลแบบนั้นเนี่ยซ้อนอยู่ครับผมนึกอะไรครับขึ้นเขาพระสุเมรุนะเจอจาตุมหาราชเลนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับน่าจะเป็นโฮโลแก ร, รมนะ ใครไขเห็นเห็นเนี่ยเทวดาโพรมแล้วให้หวยด้วยโอ้ทําไปทํามาไอที่นายสเตเฟนฮอพิงพูดมันตีเวิร์สเนี่ยมันมาเข้ากับโลกของพระพุทธศาสนานะเพียงแต่เอามาใช้ให้ถูกเลยอย่าไปให้หวยก็แล้วกันอ่ามันอธิบายได้ว่ามันซ้อนกันอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขานักวิทยาศาสตร์เขาพูดกับเรื่องนี้ด้วยหรือเนี่ยจั ก, กรวาลซ้อนจั ก, กรวาลเป็นโฮโลแกรมเนี่ยครับท่านไปอ่านดูกันแล้วกันนะครับ ผมยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพูดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอาแล้วเป็นว่าสรุปนะครับเมื่อเกิดจั ก, กรวาลเนี่ยท่านลองคิดดูว่ากาแล็กซี่มันมีดาวฤกวษ์กี่ดวงพระอาทิตย์กี่ดวงเป็นคลัสเตอร์จั ก, กรวาลไม่รู้จบเยอะแยะหมดดาวเป็นล้านล้านดวงเนี่ยนะครับตรงนี้พระพุทธศาสนาว่าอย่างไรกลับมาพระใจพิดกครับ คือเรารู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกวิถูใช่ไหมผู้รู้แจ้งโลกแล้วเราก็อธิบายนักธรรมตรีโลกวิทูรู้จักอะไรโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินแผ่นดินไหนกับแผ่นดินที่เราอยู่นี่แหละสัตว์โลกก็คือโลกคือหมูสัตว์และสังขารโลกคือชีวิตแต่จริงๆพระพุทธเจ้าโลกวิทูไม่ใช่รู้แค่แผ่นดินนะครับรู้จักรวาลทั้งหมดเลย รู้ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พูดว่ามีดาวเลิกเป็นแสนแสนล้านดวงพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วในสูตรชื่อว่าจุลนีสูตรครับถอหกสองครับไปเปิดดูพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ อ, อ น, นุ์ว่าอย่างนี้ครับ อ, อ น, นุ์จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่าโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่วทิศสว่างสวัยรุ่งโรจน์คำว่าจั ก, กรวาลหนึ่งมีพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยโปรดเข้าใจว่าหมายถึงสุริยะจักรวาลสุริยะจักรวาลที่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วมีดาวเคราะห์อยู่เนี่ยในบาลีเรียกว่าจักรวาลนะที่ว่าเราบอกว่าสวดมงคลจักรวาลใหญ่จักรวาลเล็กเนี่ยเขาหมายถึงสุริยะจักรวาลที่มีพระอาทิตย์และดาวนพกระ์โคจรนี่คือหนึ่งจักรวาล น, นะครับ แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่มีแค่สุรยิรยะจั ก, กรวาลเดียวอ่านใหม่นะครับอ น, น์สุริยะจั ก, กรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทวดทิศสว่างสวัยรุ่งโรจนโลกมีอยู่พันจั ก, กรวาลสหัสสีโลกธาตุพันจั ก, กรวาล มีพระจันทร์พันดวงมีพระอาทิตย์พันดวงอันนี้คืออะไรครับแกเล็กซี่ขนาดเล็กเล็กกว่าทางชั้นเปือกอีกใหญ่กว่านั้นพระเจ้าเรียกว่าอะไรโลกกธาตุอันนี้ก็คือแกเล็กซี่นะครับโลกกธาตุเนี่ยคําว่าจักรวาลหมายถึงสุริยะจักรวาลโลกกธาตุคือแกเล็กซี่เหมือนกับชั้นเปือกเนี่ยโลกกธาตุอย่างเล็กมีพันสุริยะจักรวาล ส, า ห, ส, สาหสีโลกาาตุ โลกกระทอย่างกลางอย่างกลางมีล้านจั ก, กรวาลพระอาทิตย์ล้านดวงโลกกระแอย่างใหญ่มีประมาณแสนโกดจั ก, กรวาลแสนโกดคือนับไม่ท้วนเนะี่ยก็คือล้านล้านนะ่ะนะมันไม่มีตัวเลขจะเขียนนี่คือโลกวิธูนะครับไม่แค่ไม่ใช่พรธเจ้าโลกกวิธูแค่รู้จัก p Planet Earth นตเอิร์ทครับพรธเจ้าลู่นี่ สอนใหม่อาอกาศทั้งหมดนะครับออันนี้เสร็จแล้วก็ถามว่าจั ก, กรวาลนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์บอกแล้วนะครับว่าไม่มีเวลาที่บายนะครับตอนที่มันระเบิดทั้งใหญ่มันจะมีนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรปตอนวิง่งแยกกันแล้วนะมันก็รวมกันเป็นอะตอมจากอะตอมก็ามารวมเป็นโลกพระอาทิตย์จักรวาลนี้ และท่านสังเกตไหมครับตัวอะตอมเนี่ยมันจะมีนิวเคลียสนะแล้วมันจะมีประจุไฟฟ้าวิ่งวนเวลามันมารวมกันมันก็วิ่งวนกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเบสิ c เอลเมนต์มันวิ่งวนทำไมโลกเป็นกลมล่ะก็เพราะว่าตัวสร้างโลกคืออะตอมเนี่ยมันเป็นประจุไฟฟ้าที่วิ่งวนพอมันมารวมกันมันก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ทาไมมันไม่ชนกัน หลักวิทยาศาสตร์มีสองหลักครับหลักหนึ่งเรียกว่าเอ่อ uh, exclusion คือสิ่งที่เป็นอนุภาคเล็กที่สุดในการสร้างโลกและจั ก, กรวาลเนี่ยมันอยู่ที่เดียวในความเร็วเดียวกันไม่ได้ถ้ามาอยู่ด้วยกันมันชนกันมันระเบิดนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องหลบกันเสมอพวกพวกนิวเคลียสเนี่ยมันไม่อยู่ที่เดียวกันอันนี้คือหลักอันที่หนึ่ง อันที่สองมันจะมีพลังมีฟอรสดึงดูดเป็น e ิน r g y ดึงเข้าหากันมันจะวนกันวนกันมันก็เลยโลกมันก็เลยกลมครับคนเราเนี่ยมันจะมีพลังอย่างหนึ่งก็คือพลังดึงดูดเข้าหากันแต่พออยู่ใกล้กันมันก็จะเหมือนไอหลักการที่ว่ามันอยู่ที่เดียวกันไมด้มันก็เกลียดกันเข้าไปอีกอะแต่พลังอันนี้มันเยอะมันก็ไปคนลทางสองงอ่ะเดี๋ยวมันก็ดึงเข้าหากันลโลกและจักรวาลนี้มันเป็นอย่างนี้ มันเกิดอย่างนี้คือมีองค์ประกอบที่เล็ก ๆ, ๆแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยท่านทราบหรือไม่สิ่งที่พูดนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ล่าสุดแต่วิทยาศาสตร์ในสมัยพทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับวิทยาศาสตร์ในสมัยพทธเจ้านั้นถือว่าโลกนี้เกิดมาจากส่วนประกอบเล็กที่สุดเรียกว่าปรามณูแบ่งต่อไปไม่ได้ แล้วมารวมๆกันเหมือนกับบ้านเนี่ยเราจะสร้างโดยอิดอิดแต่ละก้อนเล็กที่สุดเนี่ยมารวมกันเป็นบ้านฉั้นใดโลกและจั ก, กรวาล น, นี้มาจากส่วนปรมาโนที่เล็กที่สุดศาสนาพราหมณ์สอนอย่างนั้นนะครับเรียกว่าอาตามันครับอาตามันหรืออัตตานี่ในภายนอกเขาเรียกว่าสาสารที่เล็กที่สุดแบ่งไม่ได้ในจิตเขาเรียกว่าอัตตาหรืออาตามันคือวิญ ญ, ญาณอมตะ คำว่าอาจจะตมมันมีสองอย่างนะในโลกตะวันตกกรีกบอกว่าสิ่งที่สร้างโลกมันเป็นส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้เรียกว่าอะตอม 2,500 กว่าปีมาแล้วเขาสอนอย่างนี้โดยเฉพาะดิม็อกซีตสเนี่ยสอนเรื่องอะตอมแบ่งไม่ได้แล้วแบ่งไม่ไถึงจุดที่แบ่งไม่ได้เรียกว่าอะตอมภาษากรีกอะตอมเป็นภาษากรีกแปลว่าอันคัตเทิโบะแบ่งไม่ได้ โลกใบนี้นะครับ 2,000 ปีเชื่อว่ามีอะตอมครับในโลกตะวันตกในโลกตะวันออกเชื่อว่าเรียกอะตอมว่าอาตมันหรืออัตาสัพพสิงมีอะตอมเป็นอัตาเป็นฐานของสัพพสิงเกิดจักรวาล น, นี้แต่มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวบอกไม่มีอะตอมไม่มีอตาตมันสัพเพธรร ม, มาอนาตตา ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นเสียงค้างน้อยมานานมากเป็นพันๆปีครับศาสนาที่มีพระเจ้าก็เชื่ออัตมันอะตอมเป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เป็นชาวนิวซีแลนด์นะครับชื่อหลอดลัตเทอร์ฟอร์ดเอาอะตอมเนี่ยนะครับมายิงด้วยประจุไฟฟ้านะครับเป็นลูกกระสุนไฟฟ้าเล็กมากๆเลย ยิงแล้วมันเหมือนกับทะลุอะตอมมันไม่ใช่แบ่งไม่ได้นะเพอยิงทะลุขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอะตอมเนี่ยมันมันไม่ใช่แบ่งไม่ได้ในที่สุดเขาก็รู้ว่ามันเป็นประจุฟไฟฟ้ามันมีนิวเคลียสมันมีโปรตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งวนครับร้อยปีแล้วเขาเจ่นบอกว่า อะตอแมแบ่งแยกได้มันเป็นนอนอะตอมมันเป็นอนัตตากว่าพระพุทธศาสนาจะได้รับการยืนยันว่าเป็นอนัตตาสรรพสิ่งเป็นอนัตตาเนี่ยรอมาสองพันปีวิทยาศาสตร์ถึงมาคอนเฟิร์มยืนยันในสิ่งที่พระเจ้าพบแต่พวกเราชาวพุทธไม่ได้มาใช้ประโยชน์เลยนะนั่งเอออกันอยู่นะ นอนอะตอมนี่แหละครับเสร็จแล้วมาถึงไอสไตน์บ้างไอสไตน์บอกว่าตัวอะตอมเนี่ยมันแบ่งได้ที่ว่านิวตรอนอิเล็ก tron โปรตอนนี่ยังใหญ่นะครับมันเล็กกว่านั้นอีกเขาเรียกวควาร์กองค์ประกอบของอะตอมเรียกว่าควาร์กเขาศึกษาเรื่องโครงสร้างของอะตอมปัจจุบันเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ครับ ฟิสิกส์มันจะมี2 อ, อย่างแล้วนะครับคลาสิคของฟิสิกส์ที่นิวตันไอแซกนิวตันเริ่มไว้เนี่ยดูเรื่องมหาภาคเรื่องจักรวาลเรื่องแรงโน้มถ่วงและตอนนี้เนี่ยโลกกําลังศึกษาเรื่องข้นตั้มฟิสิกส์ครับไปดูเรื่องข้นตั้มฟิสิกส์แล้วท่านจะรู้ว่าเป็นไปตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างคืออนัตตาครับ ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้โดยตัวมันเองครับประจุไฟฟ้าทั้งหลายที่ว่า E เท่ากับ mc ยกกำลังสองที่ไอน์สไตน์พูดก็คือสสารคือพลังงานครับพลังงานก็คือสสารมันคืออะตอมมันคือประจุไฟฟ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยถูกต้องแล้วครับในฝ่ายของวัตถุสาสารในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่ได้โดยตัวมันเองมหายานเรียกว่าไม่มีสภาวะ เพราะฉะนั้นในมหายานนะครับท่านจะได้ยินคำสองเรื่องสุญญาตาขยายไปจากอนัตตาอีกคนที่สอนเรื่องอนัตเรื่องสุญญาตาคือนาคารชนมัธยามิกะเรื่องสุญญาตานาคารชนเนี่ยนะครับเรียกว่าสอนไว้มากมายครับนาคารชุน กล่าวถึงสุญญาตาไว้อย่างไรครับผมอ่านอู้่ครับในมหายานหนึ่งสามแเนี่ยแปลมาจากมัธยามกคการิกาของนาคารชุนนาคารชุนพูดอย่างนี้ครับสิ่งใดก็ตามที่เิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นสุญญาตาความว่างฟังให้ดีนะครับเราไม่ได้ศึกษามหายานนาคารชุนเราเนึกว่าคําว่าสุญญาตาคือไม่มีอะไร คือความว่างว่างเปล่าแต่จริงๆคำว่าสุญญาตาในมหายานเขาหมายถึงว่างจากแก่นแท้ถาวรที่อยู่ได้โดยตัวมันเองสรรพสิ่งมันเองอาศัยการและการเกิดขึ้นเหมือนอะตอมต้องอาศัยประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นแหละตามหลักปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับว่านาคารชนพูดถึงสุญญาตาโดยอาศัยปฏิจจสมุปบาทของเรานี่แหละแต่ไป ขยายเรื่องสุญญาตาอ้างอีกทีนะครับสิ่งใดก็ตามอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นสุญญาตาความว่างและกล่าวว่าสมมุติบัญญัติก็คือทางสายกลางนั่นเองไม่มีปรากฏการณ์ใดที่ไมไม่มีอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปรากฏการณ์ใดที่ไม่เป็นสุญญาตาพูดในภาษาเทรวะก็คือไม่มีปรากฏการณ์ใดที่ไม่เป็นปฏิจจสมุปบาท อมัเมิงสติอิทงังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีอิมัศเมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคือสุญญาตาครับนาคาชุนเอาปฏิจจสมุปบาทไปใช้เป็นสุญญาตาในในเถราวาทเรานะครับในหนังสือเล่มนี้ข้อหนึ่งยบอกว่ากัจจานะโคตสูตรครับ พูดถึงที่สุดมีสองอย่างเรามักจะนึกถึงทางสายกลางนะครับมัชิมาปฏิปทาเนี่ยเหล็กเลี่ยงที่สุดตรงสองข้างหนึ่ ง, ก า, ขขงการสุขันและการโยกบำลงบำเลทางการสองอัตตากิลมฐานุโยกทำตัวเองให้ลำบากแต่ในกัจจานคโคตรสูตรเนี่ยมีทางสายกลางอีกแบบหนึ่งครับ เราไม่ค่อยมาพูดกันเลยในประเทศไทยพระเทาวราชเราในประเทศไทยเราไม่พูดแต่นาคาชุดเอาจากตรงนี้ไปไปทำเป็นมัทธยามิกะแปลว่าทางสายกลางของเขาตรงนี้ผมอ่านให้ฟังนะครับในจัตกจานโคตรสูตรในเล่มนี้ด้วยที่สุดอย่างที่หนึ่งคือสิ่งทั้งปวงมีอยู่ภาษาบาลีคืออัติตาสิ่งที่มีอยู่เป็นที่สุดข้างหนึ่ง ที่สุดอย่างที่สองคือสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่นัตทิตาแต่ฐาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีสรุปว่าไงครับพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดตรงมีสองขัง้นหนึ่งอัตชีความมีสองนัตทิตาความไม่มีนี่สุดโต่งพระพุทธเจ้า สอนสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทมีเพราะมีเหตุปัจจัยไม่มีก็เพราะเหตุปัจจัยดับถ้าสอนว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็น ส, สตัตตตถิฐิสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นอุดเฉส ท, ทิฐิแต่พระพุทธเจ้าสอนสายกลางคือถ้ามีอยู่เป็นอะตอมเป็นอัตตาเป็น ส, สตัตตตถิไม่มีอยู่เลยเป็นความว่างสูญเลย เป็นนักถิกะทิฏฐิครับแต่พระเจ้าบอกมีเมื่อมีเหตุมีปัจจัยตรงนี้ท่านนาคาราชุนพัฒนาไปเป็นปรัชญามัธยามิกาครับเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้ก็เลยไม่เห็นความเชื่อมกันแต่ที่จริงมันพัฒนาไปจากนี้ครับทีนี้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีไม่มีอย่างไรแล้วเนี่ยถามว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท ที่พูดมานี่เป็นสัจธรรมนะครับเป็นฟิสิกส์บริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์บริสุทธิ์คือว่าโดยความจริงเป็นปรมัตสุญญาตาอนัตตาเกิดสรรพสิ่งโดยไม่มีพระผู้สร้างซึ่งสตีเฟนฮอวกิงเนี่ยสรุปไว้อย่างนี้ครับก่อนเขาตายเนี่ยนะครับออก Discovery Channel ด้วยไปดูครับเขาบอกว่า แต่ก่อนแปลเลยนะครับเราเข้าใจวิทยาศาสตร์ก่อนที่เราจะเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างที่เล่ามาเนี่ยจึงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเรายังไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างที่พูดมาเนี่ยจึงเป็นเรื่องแนชรอนธรรมดาที่จะเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกและจั ก, กรวาล น, นี้แต่ปัจจุบันนี้ วิทยาศาสตร์ได้เสนอคำอธิบายที่น่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งที่ขบะเจ้าคือสตีเฟนฮอว์กิงหมายถึงก็หมายถึงในประโยคที่เคยพูดมาว่าถ้าเราเข้าใจกฎวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเราจะเข้าใจความคิดของพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกที่พูดประโยคนี้ขบะเจ้าหมายถึงว่า เราจะรู้ว่าพระเจ้าพระผู้เจ้าคิดอะไรเวลาสร้างโลกถ้ามีพระเจ้าจริงๆ if there were a god which there isn't แต่ที่จริงไม่มี I am an atheist ผมเป็นพวกอว t h นิยมไม่เชื่อเรื่องผู้สร้างตอนนี้เนี่ยทางคธธริสเตจกำลังดีเบตโต้เถียงกันประเด็นนี้ เพราะ d i s c o v e r อ Channel เอาไปออกท่านไปเปิดเจออยู่ดีหนังสือเขาที่ออกมาล่าสุดชิดแกรมดี s i g n การออกแบบพิพบจักรวาลนี้โดยวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเพราะผู้ที่บอกว่ามีพระเจ้าบอกว่ายัางไง ร, รู้ไหมทำไมจักรวาลนี้แม้ไม่มีพระผู้สร้างและมันถึงมีระเบียบมีแบบแผน สแสดงว่าตอนต้นเนี่ยตอนต้นเนี่ยนะมีคนวางแผนไว้ใส่โปรแกรมไว้มันจะเกิดระเบียบอย่างที่เราเห็นสแสดงว่ามีผู้วางกฎมีผู้สร้างปฏิจจสมุปบาทปรากฏว่าในงานล่าสุดแกรนด์ดีไซน์เนี่ยปฏิเสธแม้กระทั่งว่ามีผู้วางแผนปฏิจจสมุปบาทด้วยเริ่มต้นของจักรวาลไม่มีการเวลา ตอนบิ๊กแบงเนี่ยก่อนมันจะระเบิดไดไม่มีการเวลานะครับเมื่อไม่มีการเวลาก็ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้กระทำหลังจากที่มีบิ๊กแบงมาแล้วเนี่ยไม่เคยทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของอะตอมที่ว่าเนี่ยไม่มีการแทรกแซงของกฎจักรวาลแต่อยา่างใดมันเป็นของมันเองเขาเรียกว่าทฤษฎีวัฒนาการเพราะฉะนั้นสเ e เฟนฮอว์กิงจึงสรุปว่าแผนการใหญ่เนี่ยมันไม่มีผู้กาหนดนะครับ มันเป็นไปอย่างนี้เพราะพุทธาศาสนาไม่ได้ไปสนับสนุนใครเถียงใครแต่มันยืนยันเรื่องปฏิจจสมุปบาทสร้างจักรวาลได้อย่างไรโดยอาศัยทางวิทยาศาสตร์นี่แหละเรายิ่งวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่มันมีแนวร่วมให้พุทธนามากขึ้นเท่านั้นเพียง <velocidad> แต่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันเท่านั้นประเด็นที่พูดมาทั้งหมดเป็นครึ่งหนึ่งวิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์คือฟิสิกส์เอามาใช้ในชีวิตจริงเรียกว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์แม้กระทั่งเครื่องมือในการสื่อสารในพระพุทธศาสนาเราจะมีคำสอนสองอย่างคำสอนที่เป็นปรมัติที่เป็นสัจธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียบกับวิยทวยาศาสตร์บริสุทธิแ์แขนงหนึ่งกับคำสอนที่เอามาประยุกต์ใช้ ในชืิตปัจจุบันเหมือนเทคโนโลยีทางจิตใจตววเราเรียกว่าศีลธรรมจริยธรรมระบบศีลธรรมจริยธรรมก็เหมือมมมมมนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่พัฒนามาจากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ชั้นใดจริยธรรมศีลธรรมในพุทธศาสนาพัฒนามาจากสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ฉั น, นั้นอยู่ๆเนี่ยเรามักจะใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์ โดยไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรากปฏิบัติกรรมฐานโดยไม่ได้สนใจปรมัติหรือศสัธรรมอย่างที่พูดมาก็ได้เรื่องอนัตตก็ได้สุญญตาไม่รู้เลยเราก็ใช้กันได้แต่ผู้สอนศาสนาอย่างพระธรรมทูตไม่ได้หรือคนที่เป็นปัญญาชนที่จะอธิบายให้คนต่างศาสนาเข้าใจต้องรู้มากกว่าสั์แต่ว่าเอาโทรศรรัพท์มาใช้ มันเวิร์กอย่างไรมันทำงานอย่างไรมันประยุกต์อย่างไรทำนองเดียวกันโลกและจั ก, กรวาลเป็นอย่างที่ว่ามาตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันคลี่คลายมาเป็นวิถีชีวิตของเรามาเป็นหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างไรมันไม่ได้ลอยนะครับมันอิงอยู่กับคำสอนนั้นและตรงนี้เรามักจะเาเรียกว่าเอาง่ายเขาว่า ไม่พูดถึงแก่นเลยเอาแต่เทคโนโลยีทางพุทธศาสนาไม u l n เน s เรื่องสติเรื่องอะไรต่างๆมาใช้กันในอเมริกานี่ยเยอะมากทีนี้ตรงนี้เนี่ยสรุปเลยนะครับว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นสัจธรรมในพุทธศาสนาเวลามาประยุกต์เวลาเราถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะครับในพุทธประวัติเนี่ยท่านตอบว่าตรัสรู้อะไร ไปดูตอนที่พระเจ้าเล่าว่าเมื่อตัสรุแล้วพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพพิจารณาธรรมที่พระองค์ตัสรุธรรมะที่พระองค์พิจารณานั้นคือปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัสรุเลยตอบว่าพระเจ้าตัสรุปฏิจจสมุปบาทอา้าวแล้วทําไมบางคนมาบอกว่าพระเจ้าตัสรุอริยสัตยและพระเจ้าก็บอกว่า อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราสอนอยู่เรื่องเดียวคืออริยสัจสีกลายเป็นพระเจตรัสรู้อริยสัจสีหรือปฏิจจสมุปบาทกันแน่คําตอบครับอยู่ในเรียบนี้ด้วยในพระไตรปิฎกด้วยปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจอริยสัจก็คือปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทในตัวมันเองคือเทียบกับฟิสิกส์วิทยศ า, าศาสตร์บริสุทธิ ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่เมื่อเอาวิทยาศาสตร์ศัญญธรรมมาประยุกต์ใช้เราเรียกว่าเทคโนโลยีเราเรียกว่าอ ร, ริยสัจสีครับมันเรื่องเดียวกันครับเอาท่านมาดูนะทำไมาเป็นเรื่องเดียวกันปฏิจจสมบัตก็คือเรื่องเหตุปัจจัยครับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดเมื่ อ, ส, อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่อมีทุกข์ทุกข์มาจากเหตุคือสมุทยัย เมื่อดับทุกข์ก็ดับแต่ เ, เมื่อดับสมุทัยก็ดับทุกข์คือในโรธคือนิปางเพียงแต่ว่าเอาปฏิจจสมุปบาทมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตในการดับทุกข์เท่านั้นเองทุกข์เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อเรานำเอาหลักปฏิจจสมุปบาทมาวิเคราะห์ปัญหาชีวิตเท่ากับอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ แล้วเราหาสาเหตุของทุกข์คือสมุทัยศรลธรรมในพุทธศาสนาคือมรรคศี ส, สมาธิปัญญาแล้วทางไปสู่ความดับทุกข์ที่ว่านคือนิโรธคือนิพพานอาริยสัจสีคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจุบบาทคือการประยุกต์อริยสัจสีเข้ามาเ <ME> มื่อเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าในเรื่องของอริยสัจสีเนี่ย วิทยาศาสตร์มาหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราเข้าใจมักคะวิธีในการปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์อย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับมีเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยานะครับได้ค้นพบและได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับในการค้นพบเนี่ย คนที่ได้รางวัลโนเบลในเรื่องของการค้นพบเรื่องสมองเนี่ยชื่อโรเจอร์สเปอรีเขาได้รางวัลโนเบลในปี1981ครับโรเจอร์สเปอร์รี่ได้รางวัลโนเบลในปี1981เรื่องอะไรครับเรื่อง split brain สมองสองซีบ เขาค้นพบโดยงานวิจัยของเขาว่าสมองคนเรามีสองซีกซีกซ้ายกับซีกขวาพาสมองมาแล้วเนี่ยนะมันแยกกันนะแล้วมันมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกระดูกสลิงสองฝั่งเนี่ยทำงานแยกกันครับมันคิดโดยแยกจากอีกฝั่งหนึ่งได้เลยง่ายๆนะครับเวลา ที่เราเป็นอามาพลึกอามาพาษเนี่ยท่านเป็นซีกไหนไม่ใช่ไม่ใช่เคยเป็นนะครับเออไม่ใช่บอกว่าจะเป็นนะครับไม่ต้องไปขนาดนั้นนะไม่ต้องลงทุน <c oughs> ถ้าเป็นซีกขวาซีกขวาเนี่ยนะแสดงว่าสมองซีกซ้ายมีปัญหาบาดเจ็บหรือเกิดเกิดโรค สมองซีกซ้ายคุมประสาทล้านซีกขวาสมองซีกขวาครับคุมประสาทซีกซ้ายเวลาที่เส้นเลือดเลือดแตกในสมองเนี่ยพูดไม่ได้ท่านพูดไม่ได้เพราะมันแตกในซีกไหนครับซีกซ้ายครับ ตัวคุมภาษาเนี่ยมันอยู่ซีกซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าเลือดออกในสมองนะครับเลเซรหือหินแตกเนี่ยท่านพูดไม่ได้นะครับฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่ท่านรู้หมดใครด่าท่านเนี่ยแต่พูดไม่ได้เพราะสมองซีขวามันทำงานคนป่วยใกล้ตายพูดไม่ได้ท่านอย่าไปดินทานะครับฟื้นมาแล้วรู้หมดเลยไอ้นี่มันแช่งกู หมอมาปรึกษากับคนไข้นะยไอ้หมอมาปรึกษากันเฮ้ยไม่รอดหรอกไอ้คนเนี้ยนม่ไอีกคนบอกรอดรอดรอดไปพาเพราะพาเสร็จแล้วคนไข้ชี้หน้าหมอบอกว่าผมรอดไม่รอดเนะ่ยไอ้ซ้ายขามันทํางานท่านซีกซ้ายมันพูดไม่ได้สมองมันสองซีกนะครับเพราะฉะนั้นโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาล น, นี่ยังไงพูดดีๆไว้นะครับเผื่อฟื้นนะครับเออนวดแข้งนว ด, นว ด, นวดถาไว้อะไรนะ น้อยเป็นผักนี่แหละแต่รู้ทุกอย่างเพราะสมองซีกซ้ายไม่ทำงานเรื่องภาษาแต่ซีกขวาทำงานการค้นพบนี้ได้นามวันโนเบลโดยโรเจอร์สเปอร์รี่ครับก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดนะครับพระสูตรครับอันทระสูตรพรทธเจ้าตรัสไว้ 2,000 2,500 ปีครับว่าด้วยมนุษย์เนี่ยนะครับ มีสามประเภทคนมีสามประเภทนะครับในอันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าในถอสามแปดนะครับอันทสูรตรในพระไตรปิฎกภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นไนคอหนึ่งคนตาบอดสองคนตาเดียวสามคน สองตาท่านตีความยังไงครับพระพุทธเจ้าอาธิบายครับคนตาบอดคือคนไม่มีความรู้สองด้านปัญญาจากสุขสองเรื่องหนึ่งไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพบอดไปหนึ่งข้างสองไม่มีความรู้ในทางธรรมในทางาศาสนาบอด หากินก็ไม่ได้ธรรมะก็ไม่มีทั้งทางโลกทั้งธรรมบอดสองข้างคนตาเดียวมีความรู้ในทางโลกแต่ไม่มีความรู้ในทางธรรมคนสองตาคือมีความรู้ในทางโลกและมีความรู้ในทางธรรมนึกถึงไอ์สไตน์หรื อ, อยังครับวิทยาศาสตร์เป็น ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโล ย, ยีเป็นตาหนึ่งข้างที่ทำให้เราประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพท ร, รมาหากินในอเมริกาเนี่ยมาอยู่แอลเอเนี่ยแต่ไม่เข้าวัดเข้าวาครับไปวัดไม่ถูกนั่นแหละตาข้างเดียวชอบไปลงเรือไปลาสเวกัสเ น, นี่ยพวกเนี่ยพอหมดตัวแล้วค่อยมาเขย่าติ้วแถวเนี่ย ไอ้พวกนี้ตาข้างเดียวครับในการประกอบอาชีพส่วนตาสองข้างก็คือมีความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการท ร, รมาหากินและใช้ธรรมะกำกับเวลาทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากธุรกิจมันมีวงจรขาขึ้นเนี่ยไหมมีขาลงพวกนี้ตอนไหนขาขึ้นก็อาจจะหายไปหน่อย แต่ขาลงก็จะมาสวดมนต์นก็ยังดีนะมาวัดถูกเนะเอเออนั่นแหละเออแต่พวกที่ขาขึ้นก็ยังมาเนี่ยมาทำบุญหลายหมื่นเหรียญเนี่ยพวกมีสองข้างนะั่นเดี๋ยวมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยนะเออรู้ว่าจะใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์อย่างไรมีธรรมะกำกับตา ข้างเดียวตาบอดคือไม่มีความรู้ล้มเหลวทั้งโลกทั้งธรรมตาข้างเดียวประสบควมสทางโลกแต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในสุดทุกข์มากล้มเหลวก็เครียดเป็นโรคประสาทแต่คนที่มีตาสองข้างจะเกิดความสมดุลในการดารงชีวิตมีความสุขตามสมควรอัตภาพมีธรรมะ ซึ่งทาให้นึกถึงคำพูดของไอน์สไตน์ครับวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาพิการศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์มืดบอดนั่นเป็นศาสนาอื่นที่ว่ามาแต่ถ้าพุทธศาสนาต้องพูดใหม่ครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ปราศจากศาสนามืดบอดครับศาสนาที่ปราศวิทยาศาสตร์พิการ ทำมาหากินไม่รอดครับเหมือนคนง่อ ย, ยมีธรรมะแต่ว่าไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเป็นคารวะนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศาสตร์สมัยใหม่อะไรต่างๆเป็นดวงตาอีกข้างหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในทางโลกและก็มีดวงตาอีกข้างหนึ่งก็ ค, คือธรรมะกากับฉะนั้นศาสนาคือดวงตาข้างหนึ่ง ที่มีวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องก็เป็นยังไงครับแข็งแรงประสบความสเร็จวิทยาศาสตร์ที่มีศาสนากำกับก็จะรู้ว่าทาไปเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่ามีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แต่เอาตัวไม่รอดรู้เรื่องอะตอมเรื่องบรมนูไปสร้างระเบิดนิวเคลีย ใครทำครับไอสไตน์แล้วระเบิดทำลายโลกทุกวันนี้เนี่ยมาจากไอสไตน์สนับสนุนเขียนหนังสือจอดหมายไปถึงประธนาธิบดีบอกทําได้แล้วมันก็เกิดระเบิดปรมนูไปทิ้งญี่ปุ่นไอสไตน์ก็เลยเห็นว่านี่แหละมันจะต้องมีธรรมะกำกับตอนหลังก็หันมาพูดเรื่องศาสนาตาสองข้างควรจะต้องมีกับทุกชีวิต ทีนี้สองข้างที่ว่านี้ถ้าขยายจากสมองสองซีกเป็นอย่างไรครับตอนนี้วิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยาเขาศึกษาละเอียดเลยครับสมองสองหน้าเนี่ยซีว่าต่าสองข้างเนี่ยมันเชี่ยวชาญอะไรซีกซ้ายนะครับถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยท่านจะเก่งในเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องภาษาเรื่องคนวณเรื่องไสวิทย์นะครับ ด้านนี้นักพูดนักเทศเนี่ยใช้ด้านนี้เยอะนะเรียนจบประโยกเก้าเนี่ยโตเลยนะเนี่ยเห็นหและทีนี้ถ้าไม่นั่งกรรมฐานนะเดินเอียงนะครับใช้ซีกซ้ายมากกรรมฐานคือซี่ขวาครับเรื่องศาสนาศิลปะนะศาสนาศิลปะดนตรีเนี่ย ใช้สี่ขวาครับวาดภาพเนี่ยนะสี่ขวาท่านเคยอ่านเลื่อนจีเนส s นะครับคนที่โลกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะเนี่ยคือใครครับคือเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นจิตตกรวาดภาพที่มีภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไม่มีใครไม่รู้จัก ภาพวาดนี้คือโมนาลิซาครับอยู่ที่พิ พ, พิธภัณฑ์ลูฟครับฝรั่งเศสต้นฉบับเนียเลียบ400ปีมาแล้วเลียนาโดดาวินชี่เป็นคนวาดไว้ <h ast> เพื่อที่จะมาเทศเรื่องนี้ผมลงทุนไปดูว่าเขาวาดจริงหรือเปล่าครับไปฝรั่งเศสครับไปดูเห็นแต่หัวนักท่องเที่ยวครับ คนมาดูกันเต็มไปหมดเท่านี้ผมก็พอใจแล้วครับมีจริงกลับเลโอนาโดดาวินชีเป็นอัจฉริยะในเรื่องสมองซี่ขวาถูกไหมครับวาดภาพไม่มีใครสู้ปฏติมากรรมที่เขาแกะสลักเยี่ยมมากแต่ท่านเชื่อหรือไม่ทำไมเขาเป็นอัจฉรยะเขาเป็นคนออกแบบ เรื่องของที่เขาออกแบบนะครับเครื่องบินครับเครื่องร่อนเนี่ยที่มีใช้ปีกเนี่ยนะแล้วใช้ทีมเนี่ยเขาเอาเขาสเก็ตไว้พอเขาตายเนี่ยคนไปพบออ้ยออกแบบไว้เยอะเลยในเรื่องของวิศวะสถาปัตย์เขาออกแบบเครื่องยิงอาวุธใส่กำแพง ทางวิทยาศาสตร์เขาเยี่ยมโลกจึงยกย่องให้ดาวินชีซึ่งมีผลงานโดดเดียบในที่ประจักษ์เนี่ยทั้งสมองซีก ข, ขวาคือวาดภาพชั้นเยี่ยมสมองซีกซ้ายในการออกแบบวิศวะสถาปัตย์ล้ำสมัยแม้กระทั่งเครื่องบินว่าเป็นยอดอัจฉริยะเพราะใช้สมองสองซีก ในประเทศไทยคนที่ใช้สมองสองซีกเป็นอัจฉริยะคือรัชกาลที่เก้าครับการหันน้ำใช้พัฒนาฝนหลวงสมองซีกสายท่านทำเรื่องของศิลปะภาพวาดภาพถ่ายดนตรีเป็นอัจฉริยะศิลปินอักขระศิลปินเรื่องศาสนาท่านนั่งกรรมฐานแต่งหนังสือมหาชนก ทำได้อย่างไรในคนคนเดียวกันนี่ก็คือตาสองข้างท่านใช้สติปัญญาทั้งสองด้านและในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าภาษาวิทยาเขาเรียกว่าสมองสองซีกทีนี้มันจริงแค่ไหนอย่างไรครับที่ามาพูดเนี่ยมันเป็นทฤษฎีหรือเป็นภาคปฏิบัติ อย่างไรมันมีนักประสาทวิทยาคนหนึ่งครับชื่อจิลเทเลอร์เป็นผู้หญิงนะครับจิลเทเลอร์เนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง My Stroke of Insight เกิดส t r o k e เนี่ยนะครับแต่ได้ยานอย่างรู้แล้วผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ดูที่เขาไปพูดใน t ็ d Talk ด้วย โดยที่จิลเทเลอร์เนี่ยนะครับได้เล่าว่าเขาเป็นนักประสาทวิทยาคือศึกษาเรื่องโครงสร้างสมองเหตุที่เขาสนใจเขาอยากจะรู้ว่าถ้าภาษางเราคือไทยวัตถุนะครับที่ตั้งของจิตมันทำงานอย่างไรเหตุเพราะน้องชายของเธอเนี่ยเป็นโรคจิตเภทประสาทหลอน ก็เลยลงทุนมาศึกษาเรื่องโครงสร้างสมองรู้เรื่องโครงสร้างสมองอยู่ในศูนย์วิจัยของมหาวิทยลาลัยฮาร์เวิร์ดที่บอสตันนะครับเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำแล้ววันหนึ่งครับเช้ามืดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเธอเล่าไว้ในหนังสือแล้วก็ในเท็ท็อกของเธอเธอบอกว่า ตื่นขึ้นมานะตอนเช้านะึกว่าจะไปทํางานเนี่ยมันนอนนิ่งกระดุกกระดิกไม่ได้ตัวมันหนักจะเดินจะเหินมันก็หนักไปอาบน้ําก็ช้าอะไรก็ช้าแล้วเริ่มปวดที่ที่ศีรษะปวดสมองปวดไปเรื่อยๆที่จริงเนี่ยเส้นโลหิตในสมองแตกครับโลหิตมันแตกมันเข้าไปในซี่ก้ายเนี่ย พอเส้นโลหิตในสมองแตกเธอยังไม่รู้ต่อแรกก็จะต้องไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานตอนไปเข้าห้องน้ำเดินช้าลงช้าลงสั่งตัวเองและในสุดก็ล้มในห้องน้ำพอล้มในห้องน้ำก็เนื่องจากว่าศึกษาเรื่องนี้มาเรื่องประสาทเรื่องสมองก็เลยรู้ว่าเส้นโลหิตในสมองแตกแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่รู้ว่ามันแตกด้านไหนนะครับนอนนิ่งๆอยู่ครับคือคืออย่างนี้นะเล่าข้ามก่อนหลังจากที่เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมันเท่ากับลูกกอล์ฟครับไปผ่าออกใช้เวลารักษาอยู่แปดปีจึงกลับมาเล่าเรื่องนี้ได้พูดไม่ได้เลยเพราะมันแตกซิกซ้ายจึงมาเล่าประสบการณ์นี้ได้ เรื่องที่เล่าน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าพอล้มลงไปแล้วเนี่ยมันปวดมากมากเลยนะมันถึงจุดหนึ่งครับเมื่อโลหติตมันออกมากทับแกนไอภาษาเรื่องภาษาในซีกซ้ายเนี่ยเชื่อไหมว่าเสียงในสมองนี่เงียบกริบเลยไม่มีการคุยให้เราได้ยินอีกเลยกลางคืนท่านนอนหลับดีไหมครับ ส่วนมากมันจะมีเสียงกังวลพรุ่งนี้จะมาเทศวัดเอออย่างเตรียมไม่เสร็จลุกขึ้นมา <c oughs> อ่านอีกแล้วอไนน อ, อ้นั่นแหะเอานู่นก็ยังไม่ได้ทํานี่ก็ยังทํามันจะมีเสียงคุยอยู่ในหัวเราแม้กระทั่งนั่งฟังเทศน์แล้วมันคุยแข่งนะครับจริงมังไม่จริงมั่งเชื่อมังไม่เชื่อมัง <c oughs> ไอ้นี่ยคือภาษาสีก้ายมันคุย ตลอชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราทุกข์เพราะไอเสียงคุยนี่แหละเรื่องไม่เป็นเรื่องกำลังจะสบายๆ ย, ยังไม่ได้ใช้หนี้เขาเนาะเงินถอนวัดอีกแล้วอยสารพัดนะมันโผลขึ้นมาเรื่อยเลยใช่ไหมก็เลยจะคุยวิทยาศาสตร์เป็นไปโน่นเลยนะนั่นแหละหลวงพ่อเกิดแล้ ว, นะอ ไ, อ <c oughs> ลวไอ้ตัวเนี้ย มันเกิดจากศูนย์ภาษาในสมองซีกซ้ายทีนี้พอมันเลือดออกในสมองเนี่ยมันไปนกด ต, ตรงนี้สิ่งที่จิลเทเลอร์รับรู้คือเงียบกริบเลยไม่มีเสียงคิดอะไรเลยแต่สิ่งที่พบคืออะไรลุงเมื่อสมองซีกซ้ายไม่ทำงานซีกขวา ม, มันเทคโอเวอร์มันยึด ที่ผ่านมาการศึกษาเนี่ยมันสอนให้พวกเราเนี่ยใช้สมองซีกซ้ายยึดการทํางานจากสมองซีกขวาเพราะฉะนั้นมันจึงคุมทุกอย่างพอมันถูกยึดอํานาจมันพูดไม่ได้เลยนะซีกขวามันทํางานมันทํางานยังไงรู้ไหมมันเหมือนพลังแค่จิตท่านเวลาเขาที่ายเนี่ยนะเรารู้ในทางพุทธศาสนาเราจะรู้มันเป็นพลังแค่จิต คือมันทำงานโดยไม่ต้องมีภาษาแต่มันรับรู้ทุกอย่างเขาเรียกว่า Energy Flow สิ่งที่เธอคนพบคือมือเวลาเอื้อมไปเนี่ยมันดูแปลกๆและมันแยกไม่ออกจากหนังแยกไม่ออกจากโลกรอบตัวมันรวมเป็นหนึ่งหมดเลยเพราะสมองซีกขวา ม, มันคิดแบบองค์รวมมันโฮลสมองซีกซ้ายมันคิดแยก พอมันคิดเป็นองค์รวมนี่นะมันจะมองสรรพสิ่งเชื่อมกันหมดนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นมันไม่มีอดีตท่านไม่มีอนาคตคนที่สมองซีขวาทำงาน Here and now ที่อยากจะมีสติเลยท่านไปทุบข้างซ้ายซะมันชอบคุยกับร่งหน้ากับประธาน หายใจเข้าพุทธหายใจออกโภมันคุ้ยแข็งอะ่ะไอตัวเนี่ยแต่ถ้าซีดขวานะมันจะปลมกลืนกับลมหายใจเข้าออก อ, อ, อยู่ในปัจจุบันเฮียแอนนาแล้วเป็นยังไงครับพอเฮียแอนนาปุ๊บสิ่งที่เธอเรารู้กัคือมีความสุขท่านขนาดที่เส้นโลหิตในสมองแตกเนี่ย มันไม่กังวลมันนิ่งเหมือนกับไอ้ตรงนี้ทำไมคนมันไม่กลัวตายครับบางคนนอนล้มไปสิษะฟาดพื้นนอนตายจนไปงัดประตูเพราะในขณะนั้นเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันมันไม่กลัวตายสมองซีกขวาเนี่ยมันทำให้นิ่งสงบโอ้จนสมองซีกซ้ายมันฮึดขึ้นมาเองจะตายแล้วนะ ออมันคุยนะมันเงียบไปพักหนึ่งมันคุยนอนอยู่นี่ตายแน่ๆตะลุยตะเลือกลุกขึ้นมาไปหาโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรบอกคนที่ทํางานนะที่ทําเรื่องภาษาปรนะิยาเนี่ยไปจําเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าสมองขั้นซ้ายมันคิดเรื่องตัวเลขเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นก็ไปเอาน้ำบัตรที่ทํางานมามาวางนะอาน้ำบัตรมาวางไม่รู้หรอกว่าเลขอะไรอ่านไม่ออก แต่ดูภาพครับสมองซีขวามันมองเป็นภาพเหมือนกับมองดอกไม้มองอะไรเงี้ยตัวเลขไม่รู้อ่านไม่ออกและหนึ่งสองสามแต่ไอหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอานามบัตรมาเทียบกับแป้นโทรศัพท์ใช้เวลาสี่สิบห้านาทีกดตัวเลขให้มันตรงกันเนี่ยแล้วมันก็โทรไปถึงที่ทํางานไอคนที่รับโทรศัพท์ปลายทางพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่อง เพรสมองมันเพี้ยนไงไหมไม่รู้ภาษาเลยฟังไม่รู้เรื่องพูดต่อไปเราเนึกว่าเราพูดรู้แต่เขาไม่รู้เรื่องแต่เนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์ประสาทเขาเลยรู้อคนที่พูดเนี่ยมีปัญหาทางสมองและเขาก็เอารถแอมบิวเลนส์มารับอย่างรวดเร็วในขณะที่คนกำลังมานอนมารอรับเนี่ยนะครับมันมีการต่อสู้ระหว่างเสียงในหัว กับอยู่กับปัจจุบันในขณะที่คิดว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขเขาบอกไม่กลัวความตายแต่พอเสียงพูดมันจะเกิด i am คือตัวกูของกูขึ้นมามันจะสร้างตัวกูของกูพอผ่านเรื่องนี้มาได้เนี่ยเธอสรุปว่าอย่างนี้ครับฉันยังมีชีวิตอยู่พอผ่าตัดเสร็จด้วยนะ i am alive i am still alive ยังมีชีวิตอยู่ I have found nirvana ตอนที่ใช้สมองซีกขวาเนี่ยมันเหมือนเขาพบนิพพานมันมีความสุขมากท่านเขาใช้คำว่านิราวาะนะ And if I have found nirvana and I am still alive then everyone who is alive can find nirvana ถ้าฉันสามารถเข้าถึงนิพพานได้ ต่อไปนี้ฉันจะออกพูดเรื่องให้คนเข้านิพานโดยพัฒนาสมองซีกขวาใช้ซีกซ้ายให้น้อยลงเมื่อเราคิดด้วยสมองซีกขวาเราจะไม่มีตัวกูของกูเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเด็กๆตัวเล็กๆ เ, เนี่ยมันไม่แบ่งแยกไม่มีดิสคริมเนชันมันคบเพื่อนง่ายเพราะว่า ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยสมองมันใช้เท่ากันส่วนมากซีกขวาเด็กจะไว้วางใจคนแปลกหน้าเด็กจะมีความสุขกับสิ่งรอบตัวเล่นสนุกทั้งวันเพราะเขาอยู่ในช่วงใช้สมองซีกขวาไม่มีความกังวลกับอนาคตแต่พอไปเข้าโรงเรียนครูสอนให้ใช้สมองซีกซ้าย หัดคิดแยกผิวขาวผิวดำผิวเหลืองใครรวยใครจนเริ่มทุกข์เหมือนผู้ใหญ่การศึกษาที่ผิดพลาดไปส่งเสริมแต่ซีกสายให้คนแก่งแย่งแข่งขันเปีนไปให้ถึงดวงดาว ไม่มีการคิดถึงปัจจุบัน here and now คว่คว้าหาอนาคตหนีอดีตแบ่งแยกแข่งขันถ้าโลกนี้นะใช้สมองซีกขวามากขึ้นเราจะมองแบบองค์รวมแบบโฮลิสติกแบบปฏิจจสมุปบาท ไม่มีอะไรอยู่อย่างแยกขาดจากกันเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสื อ, อยางดินดีเพราะหญ้ายางยญดินดีเพราะหญ้าบางหญ้ายางเพราะดินดีศาสนาเนี่ยสอนให้มองแบบสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันความเป็นพี่เป็นน้องมันจะเกิดขึ้น ไม่ใช่แย่งมรดกข้าหันกันถ้าใช้สมองซีกซ้ายมีแต่ความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นพวกศิล ป, ปินเนี่ย we are the world ใช่ไหมเขาจะมองเหมือนบริสุทธ์ซื่อพวกพวกนักกวีทั้งหลายบทที่เขาแต่งออกมาเนี่ยแม้กระทั่งไฮกูของญี่ปุ่น เราอ่านนี่เขาจะเห็นภาพของจักรวาลโดยรวมไม่มีการแบ่งแยกวิลเลียมเจมส์นักจิตวิยาคนสำคัญของอเมริกาเขียนหนังสือชื่อ v a r i e t s of Religious Experience ประสบการณ์ทางศาสนาเขาสรุปว่า สิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางศาสนาในหนังสือของวิลเลียมเจมส์ที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อบรรุชานคนนั่งกับมาฐานเข้าชานเนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่งไม่มี subject ผู้รู้ object สิ่งที่ถูกรู้แล้วกับลมหายใจมันจะเป็นหนึ่ง ถ้าพูดตามภาษาวิลเลียมเจมส์ก็คือไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้การรับรู้ของจิตรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเอกัคตาเวลาเข้าฌานเน่เมื่อมาถึงจตุถฌานปิติสุขวิตกวิจาร์การคิดก็หมด วิตตวิจาร์มันเป็นสมองซีกซ้ายทพอเอ็กกับาตาจตุทชาญ น, นะมันรวมกันเป็นหนึ่งหมดและพอไปออรูปประชานเนวสัญญาณาสัญญาัตนนะสาระสิ่งรวมเป็นหนึ่งวิลเลียมเจมส์บอกว่านี่คือมิ s ติกเอ็กเ i e น c ์ประสบการณ์ที่ภาษาพูดไม่ได้ เราให้คนเข้าฌานคนที่ให้บรรลุนิพพานมาพูดอ่ะไม่มีทางที่จะใช้ภาษานี่อธิบายได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางาศาสนาในทัศนะของวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาเนี่ยจึงบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ลึกลับคำว่าประสบการณ์ลึกลับเขาหมายคาว่า inaffable มันมีแต่พูดไม่ได้เพราะมันจะต้องใช้สมองสีกซ้ายพูด แต่เมื่อเป็นประสบการณ์รวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันพูดไม่ได้บรรยายไม่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นอวจนยะมันเป็นอภยกตะพูดไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางประสาวิทยาพูดเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องเหล่านั้นแต่เราไม่จำเป็นต้องให้เกิดปัญหาก่อน การที่ฝึกให้ใช้สมองสองด้านก็คือการฝึกกรรมฐานเมื่อเราฝึกกรรมฐานเราจะหยุดภาษาตัวช่างคุยของซีกซ้ายท่นให้การมองภาพรวมในซีกขวาเนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีพลังสุดขีดมันจะเกิดเมตตาการุณาอย่างพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณมีวิสุทธิคุณมีมหากมากรุณาที่คุณเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นโดยไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดฉะนั้นการปฏิบัติมันจึงเป็นไปได้เรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือในการปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องสติ here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้มีการทดลองที่แคลิฟอร์เนีย เมื่อสีสิบปีมาแล้วที่ UCSF University of California San Francisco พูดที่นี่ก็ต้องอ้างที่นี่เป็นเรื่องสุดท้ายเอาใจคนซันฟรานในการทดลองนั้นนะครับผู้ที่ทดลองเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ว่าชื่อ เบนจามินลิเบตโปรเฟสเซอร์คนนี้เขาทดลองอย่างน่าสนใจอย่างนี้ครับซึ่งในฝ่ายเราน่าจะทำด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้มาทำเขาทดลองอย่างนี้ครับว่าเวลาท่านมีสติเนี่ยเช่นยกนิ้วเนี่ยสติท่านมาทันไหมท่านรู้ตัวขนาดไหน เขาเอานักศึกษาที่พร้อมจะเข้าโปรแกรมทดลองกันนะแล้วก็ถังหลอดไฟครับแต่และคนมีหลอดไฟมีสวิตช์ให้กดปุ่มกดปุ่มเนี่ยให้ไฟติดนะครับโดยการทดลองนี้ง่ายๆใช้เครื่องแถบสมองที่เรียกว่า EEG เนี่ยทุกจุดในสมองดู ดูภาพการทำงานของสมองว่าสมองส่วนไหนกำลังคิดมันจะเกิดแสงวาดขึ้นในจอถ้าสมองมันไม่คิดมันก็ไม่มีแสง EEG เนี e ่ย e มันทำงานเสร็จแล้วก็ทุกคนแทบเครื่องที่วาดเนี่ยไปที่สมองแล้วก็ให้นักศึกษาที่เข้าโครงการทดลองเนี่ยกดสวิตช์กดสวิตช์ให้ไฟสว่าง โดยบอกว่าให้กำหนดดูนาฬิกาด้วยนะว่าคุณคิดจะกดตอนเข็มมันอยู่ตรงไหนแล้วก็กดลงไปไฟสว่างเพื่อดูความแตกต่างของความคิดที่จะกดกับกดจริงมันใช้เวลาสมองสั่งมาถึงนิ้วมือเนี่ยใช้เวลานา น, านเท่าไหร่และเขาก็ทำนาฬิกาพิเศษนะครับ เพราะมันเสี่ยววินาทีนาฬิกาปกติเนี่ยวัดไม่ได้นาฬิกาที่ว่าเนี่ยเขาแบ่งวินาทีเป็นพันส่วนเราเคยเห็นแต่แบ่งวินาทีเป็นสิบส่วนใช่ไหมไอวิ่งร้อยเมตรนี่เขาแบ่งเข็มเป็นพันส่วนหนึ่งวินาทีแบ่งเป็นหนึ่งพันเซี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ามิลิวินาทีครับ หนึ่งวินาทีก็คือ1เซกันใช่ไหมครับมิลลิเซ o ันก็คือหนึ่งในพันของวินาทีนาฬิกานี้เขาทำได้ท่านไปเปิดพจานานุกรมฉบั บ, บารากพิษสถานนี้เขาเก็บคำไว้ด้วยครับมิลลิวินาทีมาจากการทดลองด้วยนาฬิกาพิเศษเนี่ยมิลลิวินาทีเนี่ยนักศึกษาแต่ละคนเนีพอคิดจะกดกดปุ๊บไฟสว่างแล้วเขาเขาศึกษาอย่างนี้ครับ เนื่องจากว่ามันมีเครื่องตรวจสอบว่าสมองคิดตอนไหนปรากฏว่าอย่างนี้ครับผลที่ออกมาพอสมองสั่งว่าจะกดเนี่ยจอภาพมันจะบอกเลยว่าสมองกำลังทำงานในส่วนนี้แล้วนักศึกษารู้ตัวว่ากำลังคิดว่าจะกดเนี่ยตอนไหนก็ให้ดูเข็มไว้แล้วกด จนนาฬิกาไอ้จนไฟสว่างเนี่ยตอนไหนบันทึกไว้หมดคนบันทึกไว้นักศึกษาสังเกตไว้ผลออกมาอย่างนี้ครับตอนที่นักศึกษาคิดว่าจะกดเนี่ยสมองสั่งก่อนแล้วแสงมันว่ามาแล้ว300มิลลิวิน์ครับโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวหรอกเวลาจะกดเนี่ยสมองมันสั่งมาแล้วพอคิดจะกด ตอนนั้นผ่านไปแล้ว300มิลลิวินครับแล้วกดนะพอคิดว่าจะกดแล้วกดเนี่ยตั้งแต่คิดรู้ตัวว่าจะกดเนี่ยผ่านไปอีก200มิลลิวินสรุปคืออะไรครับสมองสั่งโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกสั่งเนี่ย300มิลลิวินรู้ตัวมีเจตนาแล้วกด จากการสั่งของสมองไปจนถึงปลายมือเนี่ยกินเวลาอีก200มิลลิวินาทีสรุปแล้ว300บวก200ก็คือ500มิลลิวินาทีคิดง่ายๆก็คือครึ่งวินาทีครับในการที่ผมยกนิ้วเนี่ยนะหรือดิดนิ้วเนี่ยสมองผมสั่งก่อนที่นิ้วแต่ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมกำลังดิดนิ้วเนี่ยโดยงานวิจัยเนี่ย300มิลลิวินาทีแล้ว แล้วพอคิดว่าจะดีดนิ้วเนี่ยจากสมองมาถึงนิ้วจนดีดนี่อีก200อใช้เวลาที่เนื่นระหว่างสมองสั่งการมาจนถึงนิ้วกดเนี่ยครึ่งวินาทีสิ่งที่ผลที่เกิดจากการค้นพบตรงนี้เนี่ยนะครับเขาสรุปว่าไม่มีฟรีวิวครับไม่มีเจตจำนงเสรีครับ เราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรในทางจิตวิทยาเลยในทางประสาทเพราะสมองมันสั่งก่อนที่เราจะรู้ตั้ง300มิลลิวินเรามีสิทธิ์ที่จะไม่กดเนี่ยแค่200เท่านั้นเองที่จะยัง้ง200ใน 1,000 พันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันเร็วมากเพราะคนมาดา่าเราเราด่าตอบเนี่ยท่านมีเวลาเซนเซอร์ไหมครับ พอแค่คิดจะด่าเนี่ยเหลือเวลา200มิลลิวินต์ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโมโหมันก็ต้องด่าสิชาวบ้านเนี่ยนะโเวลาโมโหมันก็ต้องดา่ามันต้องต่อยมันต้องฆ่าเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ทันครับถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยแต่เขาบอกว่าแม้เราไม่มีฟรีวิลแต่เรามีฟรีวอนท์คือไม่ เราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าอยากจะด่าคนอยากจะต่อยคนแต่เรามีสิทธิ์หยุดไอ้สองร้อยเนี่ ย, ยมันอยากดา่าอยากต่อยง้างคางได้เรามีสิทธิ์ควบคุมตนเองแสดงว่าอะไรครับยืนยันในพระบาลีที่พระเจ้าตรัสไว้ครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ ผมจะอานบาลีและภาษาแปลให้ฟังแล้วจ ะ, จะบอกว่าผมเนี่ยสงสัยตรงไหนและพวกท่านคุ้นดีกับประโยคนี้แต่ท่านไม่เคยคิดเจตนาหังพิกเขวกัมมังวาถามิพิกสูทั้งหลายเรากล่วกาวเจตนาว่าเป็นกรรมตรงนี้ไม่มีปัญหาครับปัญหาคือคำขยายเจตยิตวากัมมังกโรติกายเะวาจายะมะนสาครับ แล้วกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคลคลรราาคิดแล้วจึงทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจคิดแล้วจึงทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยกายวาจาผมเข้าใจครับเพราะอะไรเรามีเวลา200มิลลิวินาทีในการคิดที่จะกดแต่สมองมันสั่งมาก่อน300อีก200เนี่ยเราคิด คิดว่าจะกดเราไม่กดก็ได้ก็เรียกฟรีวอนแต่คำถามเราคิดแล้วจึงทำกรรมทางใจเนี่ยมันจะไปห้ามตรงไหนคคิดแล้วจึงทำกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยเรามีสิทธิ์หยุดแต่คิดแล้วยังทำมโนกรรมคือคิดต่อเนี่ยมันมีช่องว่างตรงไหนในพระบาลีนี้คำตอบนะครับ ถ้าผมตีความจากการค้นพบของเบนจามินลิเบตก็คือไอ้ที่ว่าคิดแล้วจึงทำกรรมเนี่ยทางมโนกรรมเนีนยมันหมายถึงสา0รอยมิลลิเซคัที่อยู่ในภวังคจิตพูดแบบอภิธรรมภวัผคุปตเชษถ้าผวังคจรระนะเลยนะเสร็จแล้วมันจึงออกมาเป็นวิถีจิตสองร้อย มิประเด็นที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติหรือในการทางศีลธรรมคืออะไรครับคือถ้าเรามีกิเลสกิเลสมันจะเกิดขึ้นทำให้เราโลภโกรธหลงและเราจะพูดไปตามที่มันสั่งโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเนี่ยส0มมิลิเซกันจะด่าจะขโมยเราถูกกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเนี่ย ุมพฤติกรรมถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานล้างโปรแกรมล้างกิเลสมันมีแต่กุศลละมูลเราก็จะสามารถมีแต่กุศลและเจตนาเกิดขึ้น300มิลลิวินาทีเนี่ยนำไปสู่อีก200ที่เหลือนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับแม้เราจะมีความคิดโกรธโลภหลง โลกกรดหลงแต่ยังไม่จะไปต้องเป็กนกฎทันทีเรามีสิทธิเซ็นเซอร์200มิลิเกนาทหรือคิดเฉยๆยาใายเป็นกายกรรมตรงนี้คือสติครับยานิโสตานิี้โลกกสมิงสติเตสังนิวารนังกระแสทั้งหลายในโลกเนี่ยปิดกั้นด้วยสติครับเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวตเซ็นเซอร์หมดแม้เราจะโกรธจะอะไรก็ตามเรามีฟรีวอลเรามีเจตจานงเสรี ที่จะเซนเซอร์ครับนี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติที่อาศัยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอามาใช้ในเรื่องของอริยสัจรีเรื่องสติเรื่องกรรมฐานซึ่งยังมีหลายประเด็นมากมายนะครับแต่เวลาหมดแล้วก็ถวายไว้เป็นตัวอย่างสองเรื่องนะครับพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกมีองค์ความรู้ที่เรียกกันว่าสัจธรรม ปรามธธรรมคือปฏิจจสมุปบาทเราประยุกต์เอามาใช้เรียกว่าจริยธรรมศิลธรรมนั่นคืออริยสัจสีในการดับทุกข์ในวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในฟิสิกส์ก็อย่างที่กล่าวมาการประยุกต์เรียกว่าเทคโนโลยีเราเป็นศาสตร์ทั้งจิตบางทีก็าอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละ มายืนยันสัจธรรมที่พระเจ้าได้ค้นพบเมื่อสอง0้าอปีมาแล้วพระพุทธศาสานาในดินนยวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงจเจริญรุ่งเรืองเหมือนได้ปุ๋ยครับเพราะมันตรงกับเซนติเมนต์กับแนวคิดของคนในโลกวิทยาศาสตร์เพียงแต่เราต้องจูนให้เข้ากันไม่ใช่ไปสอนแบบลึกลับโดยไม่โยงกับองค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แล้วมันจะเกาะไม่ติดมันจะตามไม่ทันสิ่งหนึ่งที่องค์ดาละลามะได้ทําเป็นคู่นูปการกับเรื่องสติเรื่องกรรมฐานก็คือการยอมให้นักประสาทพยาเนี่ยแทบเข้ากับสมองแก่นักปฏิบัติกรรมฐานเมื่อประเดี๋ยว ก, กรรมฐานไปถึงจุดเรียกอัปปนาเนี่ยกระแสไฟที่มันวาบวมมันจะสงบมันจะหยุดวัดได้ประเมินได้ และก็เป็นเหตุให้เรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องกรรมฐานเนี่ยพบผู้่างมากในโลกตะวันตกในอเมริกาในยุโรปเหตุเพราะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยแต่ยังไม่เห็นงานแบบนี้ในฝ่ายพวกเราที่เอามาจากพระใจปิดกและเอามาเชื่อมมาทำให้เห็นที่เป็นผลงานเชื่อมโยงสนับสนุนแม้กระทั่งผลงานของเ บ, บนจามินลิเบต ในเรื่องของสติเราก็ไม่ได้เอามาใช้มาพูดให้เป็นประโยชน์แกเราและเป็นประโยชน์ว่าเราสามารถเซนเซอร์ได้เราห้ามใจเราไม่ให้โกรธได้ไม่ให้โลภเราห้ามไม่ได้เพราะมันอยู่ในสันดานแต่เราห้ามตัวเองไม่ให้รักไม่ให้ขโมยไม่เข็นฆ่ากันได้ด้วยสติอย่างไรโดยงานวิจัยอย่างนี้มันก็จะสื่อและทำให้โลกตะวันตกโดยเฉพาะในถิศ น, นี้เนี่ย รับพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนอยากจะให้ท่านทั้งหลายพระธรรมวัตถุทั้งหลายใส่ใจในเรื่องนี้แล้วเอาไปประยุกให้มากแล้วก็ติดตามในสิ่งที่วัตุ่นแรงเราเราไม่ต้องเหนื่อยมากเลยเขาทำให้หมดแล้วอย่างที่เล่าวันนี้เราไม่ต้องไปถกเถียงอะไรเลยแค่เอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนมันก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างง่ายๆเพียงแต่เราต้องรู้ทั้งสองโลกทั้งโลกพษษะระพุทธศาสนาในพระใจเบโด ทั้งโลกวิทยาศาสตร์ที่เรารู้อย่างแท้จริงมันก็จะผสมกลมกลืนในการเราผยแร่ศาสนาได้เป็นอย่างดีซึ่งวิธีอย่างนี้ก็เรียกว่าการผสมผสานการทำกิจกรรมเหมือนกับ melting pot เบ้าหลอมซึ่งวัดไทย LA ก็ได้ทำในเชิงวัฒนธรรมมาแล้วก็อยากจะให้ขยายไปในเรื่องของปัญญาในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ต่อไปก็ถือโอกาสนี้นมานำเสนอเป็นการบูชาคุณแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ในโอกาสที่ท่านเจริญอายุวัฒนะมง ค, คล86ปีเป็นธรรมบูชาอันชื่อว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง การได้มาให้ธรรมท า, านวันนี้มีพลานิสง ม, มากมายเพื่อถวายเป็นการบูชาคุณของพระเดชพระคุณในโอกาสนี้รัตนัตยานุพาเวนรัตนัตยันติชสาด้วยเดชะบา ร, รมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลแห่งธรรมท า, านทั้งปวงนี้ขอจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรถวายแด่พระเดชพระคุณประเทศมงคลวิเทศขอให พระเรชพระคุณจเจริญ ง, งอกงามไพยบูตยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสถิตยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใสของศิษยานุสิทธิ์ตลอดไปขอบุญกุศลนี้เป็นปฏิพร์ให้ทุกท่านที่มาร่วมแสดงน้ำใจในครั้งนี้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติพารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเลรท ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสํสำเร็จจงพันสํสำเร็จจงจงพันสํสำเร็จสมโมรรถมุงมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน